จเจิญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาถามตอบคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่มีความสนใจอยากจะถามคําถามก็ขอเชิญเข้ามาร่วมถามตอบได้อนนี้เราก็เริ่มต้นที่โตกเกี่ยวเหมือนเดิม เด็กชายนะคุณเป็นยังไงครับกลับนามัจการารค่ะพี่จันเป็นยังไงวันนี้ดื้อไม่ดือ้อสนไม่สนตอบคแต่โนไหมคะโสนค่ะวันนี้คุณเพื่อนของค่ะว่าไปพันช์เขา นั่นสิทำไมล่ะนะกิเลสใช่ไหมความโกรธใช่ไหมอือโกรธต้องทํำยังไงทําต้องมาล้า ต, ต, ต้องไปชอบกิเลสอย่าไปชอบคนอื่นอย่าไปตีคนอื่นตีกิเลสของเราได้ไหมครับในความโกรธหยุดความโกรธนะชอานคิด อันนี้ไม่ยามพูดอะไรเลยนะกลัวกลัวแม่ฟ้องค่ะวันนี้เห็นเขาบอกว่าโดนออกมานั่งหน้าห้องเรียนกันสองคนกับเพื่อนซีเขาค่ะครูก็ครูกานีหรอหรือว่าเพื่อนที่พากันสนค่ะภาอาจารย์เดี๋ยววันที่ยี่สิบเจ็ดบินไปไทยล้ะคะภาะอาจารย์ ค่ะพุ่งนีอเขาเรียนมาจัดชายที่นี่แล้วค่ะก็มาอยู่ประจำแล้วค่ะอ่าก็โอเคเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะแบบนรมาสการ์ค่ะปฏิบัติทุกคืนค่ะพระอาจารย์โอเคไปที่จำแมกับแจที่ในกลันมาสการ์พระอาจารย์ครับมีอะไรไหมวันนี้ วันนี้จะมาสงกันบ้านครับเป็นไงจัดที่เมออื่อวานนี้ถามคมถามถา ม, มาไปทำทาการบ้านเนี่ย Speaking contest สวีซี่คอนเทสครับอะไรคอนเทสนะ Speaking contest ครับ Speaking contest เ น, น, เนะอนเนโอเคเมื่อไรต้องทำ่ะ ว, วันที่แปดจริงค่ะครับโอเค จะลงทะเทางนไปบ้างรึเปล่าน่าจะเอาน่าจะเอา ไ, ได้ไอโอเคเอ่าวันนี้ส่งการบ้านมีอะไรบ้างครับเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร้องพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร้องพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดา จะร่วมพ้นความตายเป็นไม่ได้เราจะละเว้นเป็น ต, าตา่างๆคือว่าเราจะต้องคร่าคล้าจากของรักสงเตือนใจทั้งหลายทั้งปวงมม<า>ของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นญา น, นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พื่อาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าเราจะต้องแม้รับุณของกา ร, ร น, น, นั้นสื้นไปวกราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอะเป็นยังไงยอมรับไหมความแก่ความเจ็บความตายยอมรับครับโอเคไม่เศร้าโศกเสียใจนะครับอโอเคร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนัง เนื้อเอ็นกระดูกเนื้อในกระดูกม้ามหัวใจตับถังพืชไตปอด์ดใยใหญ่ใยน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื้อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงือน้ำมันค้นน้ำตาหน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูก น้ำแข็งข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำแข็งข้อน้ำมูดน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำค้นน้ำเหงือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเะเลน้ำดีเยื่อในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตทางผืชตับหัวใจม้า ทีนกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผขนทำมาจากอะไรรู้ไหมอาการซารสที่สองนี่ดินดน้ำลมไฟครับเอี๋ย ว, วันหนึ่งก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปนะครับโอเคต้องเสกุลบายทุกวันนะกับร่างกายวันหนึ่งจะต้องจากกันนะครับ อ okay. มีอะไรไหมไม่มีแล้หมดแล้วนะจะได้ไปต่อนะครับกรับขอบคุณพระอาจารย์ครับน้ uh, okay. องพี how are you today ตอบหลวงตาตารนมัตตาตอบหลวงตา how are you today I'm great I'm I'm fine how about you good are you happy today ah uh ตอบสิลกูก yes ฮ uh, ะ medium happy medium happy okay and medium sadness also are you sad also yes มไมทำอะไรมาถึง sad อะก่อนหนูก็ไม่รู้ครับว่าเมื่อวันเมื่อวานนี้ครับมีผู้หญิงมาเล่นละครให้แบบผู้ชายมันไม่ชอบค่ะคำแต่ละคำลูก อ่มีคําถามอะไรไหมวันนี้มีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูถามแทนให้ดีกว่าค่ะเพราะว่าคําพูดของเขาเดี๋ยวมันจะมันจะแบบคือเขาเด็กเขาจะถามตรงๆเดี๋ยวเดียวหนูจะคัดให้นะคะอาเลยแต่พอดีว่าเขาเขาอยากจะทราบว่าอ่าแต่ละศาสนานะคะที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธที่เขาไม่ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายใจเกิดไม่ได้สอนเกี่ยวกับวิญญาณนะคะเขาอยากรู้ว่าเมื่อเวลา แต่และคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาจะเขาา้าใจจัราที่ตายแล้วอืเขาจะเข้าใจเกี่ยวกับโลกวิญญาณไหมคะว่าเอว่าเขาจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าเขาไม่ได้แบบว่าบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอะเขาไม่รู้หรอกเพราะท่านเขาไม่ได้เรียนเวลาตายก็เหมือนเขานอนหลับไปแล้วก็เข้าไปสู่โลกของความฝันแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เขาก็ตื่นขึ้นมาใหม่ แล้วมันนอนหลับไปเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาเมื่อชาติก่อนเขาตายมาอ่าเขามาเกิดใหม่เขาก็คิดว่านี่เป็นชาติชาติเดียวของเขาเขาเกิดแล้วเดี๋ยวเขาตายแต่ก็จะต่างกับศาสนาของทางเราที่แบบเข้าใจแล้วก็เชื่อกเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณนะคะใช่ทางเราเราจะแยกร่างกายกับใจเป็นอสองส่วน ร่างกายตา ย, ตายแต่ใจไม่ได้ตายใจเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่จะไปเกิดใหม่ต่อไปไปสวรรค์<ต>ไปนิพพานแต่ถ้าเกิดว่าแต่ละทุกทุกทุกคนในโลกนะคะเพราว่าเมืเขาเสียชีวิตตายไปแล้วเขาก็ต้องไปไปชดใช้กรรมเหมือนอย่างกับอย่างกับที่ศาสนาเราเชื่อด้วยใช่ไหมเจ้าคะ่ะ ได้กฎแห่กรรมนี้ไม่ได้เลือกว่าจะนับถึงศาสนาอะไ ร, รไม่นับถึงศาสนาอะไรมันเป็นกฎของธรรมชาติก็น่าสงสารนะคะถ้าเขาถ้าเขาไม่ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เข้าใจถ้าเกิดว่าเขาเสียชือ่อไปแล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เขามาทางนี้ก็คือมันไม่ทาให้เขาได้บรรลุอย่างเนี้ยเขาไม่รู้ว่าเขามาจากที่ไหนเขาไม่รู้เขาจะไปที่ไหนต่อ เขาคิดว่าเขาเกิดมาแล้วเดี๋ยวตายแล้วเขาชีวิตเขาก็จบอื mm hmm. แต่บางศาสนาก็สอนว่าไปสวรรค์ไปนรกเหมือนกันก็มีอยู่ mm hmm. แต่แต่ศาสนาแต่ศาสนาจะสอนอย่างไรห mm hmm. ลังก็ไม่กล้าเข้าไปพูดถึงรายละเอียดของแต่ศาสนาแต่ศาสนาอื่เขาก็มีความเชื่อในเรื่องนรกในเรื่องสวรรค์บุญบาป mm hmm. แล้วก็สอนให้ทําบุญสอนให้ทํำบาป mm hmm. นอกจากพวกคนที่ไม่เป็นศาสนานะั้นี่ยแต่เป็นพวกที่ยังไม่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาตเรื่องสวรรคนะ์นรกเขาคิดว่าตายแล้วก็จบบางคนบางคนคิดว่าชาติเนี้ยเขาเขาไม่ทํากรรมชั่วเลยแตเ่เขาก็ไม่ได้ทําบุญแต่เขาบอกเขาไม่ทําร้ายใครก็บอกว่าเขาก็าจะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกเนี่ยบางทีหนูฟังหนูฟังที่เขาพูดแล้วหนูก็ หนูกไม่กล้าสอนเขาต่ออ่ะเพราะก็ดีเขาจะว่าไ า, าเรื่องของเขาไปพขาไม่กลับมาเกิดได้คดีหรือมโนทนาไปกับเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามตามหลักท่านไม่ทำบุญไม่ทำบาปแล้วจะไม่กลับมาเกิดได้ไัม ย, ย, ยังไม่ได้เนละยยังตั้งกำจัดความอยากให้หมดไปจากใจมันถึงจะไม่กลับมาเกิดและนี่หนูขออนุญาตถามเรื่องของหนูเจ้าค่ะเรื่อง เวลาหนูนั่งสมาธิอ่ะค่ะบางบางครั้งแบบนั่งแล้วมันอ่าบางทีกดเขาเรียกว่าอะไรตัวพองอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เหมือนแบบว่าตัวพองพองไปเลยแล้วบางทีก็เหมือนแบบว่าเหมือนตัวมันเหมือนแบบขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยบางทีก็รู้สึกก็กลัวว่าเหมือนแบบมันจะหลุดออกไปอย่างเงี้ยค่ะมันพอหนูไม่ไมไดแล้วจิตมันหลอกล้วจิตมันปูงแต่งเรา นั่งกายเ่ะมันก็เหมือนเดิมถ้าไม่เชื่อลองิตาดูเลยลตาดูมันก็รู้ว่าอ๋อถูกเราค่ะงนั้นเวลานั่งสมาธิมีอะไรเกิดขึ้นในใจไม่ต้องไปสนใจเป็นเรื่องจิตมันตรงแต่งลอาเราไปค่ะให้เราอยู่กับการภาวนา<ๆ>เราไปเรื่อยๆอย่าทิ้งการภานวนาเราเดี๋ยวทุกอย่างก็จะหายไปหมด แล้วถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธิแล้วแบบพู้โทมันหายไปเลยแล้วมันนิ่งอยู่อย่างนั้นเฉยๆเลยค่ะหลวงพอ่อล้วมันนิ่งอเฉยก็ไม่ต้องทําอะไรให้มันนิ่งไปานานๆแต่มันต้องนิ่งแบบมีความสุขถ้านิ่งแบบไม่มีความสุขก็ยังไม่ใช่ความนิ่งที่แท้จริงค่ะมันนิ่งแล้วแบบบางทีพอพอออกจากสมาธิแล้วมันก็แบบว่าคือไม่อยากพูดอะไรสักีย่างเลยคืออยากปิดไม่เวกเลยค่ะหลวงพอ่อ มันต้องมีความสุขนะถึงจะเป็นความสงบที่แท้จริง<ะ>ถ้าไม่มีความสุขก็ยังไม่ใช่ความสงบเต็มที่ยังไม่ถึงจุดนั้นเราพยายามวุโทโธต่อไปค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอะ่าถ้าแล้วหนูขออนุญาตกับเข้าไปดูใน yu t u ู e ต่อนะคะได้ตามสบายเจ้าได้ามาสักการค่ะเอาถ้าขาดแข็งแรงเจ้าค่ะอ่าไปน้องตะวัน อยู่ฮอลแนดรับัำถามประชำนครับอมีอะไรไหมครับวันนีออ้มีหนึ่งคำถามครับมามาเลยเ อ, อ่อถ้าเราเ อ, อ่อท้องไครเ่เ็ดแล้วเ อ, อ่อเขาก็ให้อภยัยแปลว่าล่บาบปราบมันก็น้อยลงไหมไมบาปที่ทำก็ยังมีอยู่แต่ เวนไม่มีคือเขาไม่มาจองเวนเราเขาจะไม่มานั่งแค้นเราแต่บาป ท, ที่เราทำยังอยู่มันอยู่ในใจเราแ ล, แลมันจะต้องส่งผลต่อไปอาจจะมีใครคนอื่นมาทำร้ายเราก็ได้ถ้าเป็นบาป ท, ที่ร้ายแรงก็อาจอา จ, จะไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ได้อาจจะไปเป็นหมาก็ได้ไปกิาเป็นหมาเป็นอะไร ถ้าเราทำแบบทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนมันเนี่ยบา ท, ทําแล้วลบล้างไม่ได้แม้แต่คนที่เขาที่เขาถูกเราทำเขาให้อภัยเราก็าตามแต่บาปนะั้นมันก็อย่างมันอยู่ในใจเรามันเืิมันทำ้ะมันเป็นผลนามันมั น, ม, นมันดึงใจเราให้ลงตังเนี่ย จากเป็นมนุษย์นี่กลายเป็นสัตว์บ้างเป็นเป็ตบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วแต่ว่าเราทำบาเปเพื่ออะไรอ่านใจไหม okay, อ่านใจแล้วคุณแม่ล่ะมีอะไรไหม คือโยมมีโจทย์ให้ต้องแก้เจ้าค่ะพระอาจารย์เงแต่ว่าเดี๋ยวโยมจะลองใช้ความสามารถของตัวเองดูก่อนค่ะพระอาจารย์ว่าจ ะ, จะออกมาเป็นยังไงคะ่ะแล้วก็ทำไม่ได้จริงๆเดี๋ยวโยมจะมาถามพระาพอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง <Okay. S 1> ค่ะโอเคค่ะเออก็มีทางนี้ใช่ไหมก็ค่ะพระอาจารย์สัปดาห์นี้มีที่ต้องมค่ะโอเคครัสาธุอันนี้ค okay. ือหมอพี่เชิดต่อหมอการธรรมศาสการพระอาจารย์ครับ ขอความเป็นตาพระอาจารย์ได้อธิบายการใช้ชีวิตของมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอาจารย์ก็ประโยชน์ของมนุษย์นี่มันก็มีสองทางทางโลกกับทางธรรมนะระหว่างทางโลกกับทางธรรมทางธรรมมันสูงกว่าทางโลกทางโลกมันก็เป็นประโยชน์ชั่วชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่เช่จนเจริญในราบยศเสลารเสนศกนี่ ก็เป็นประโยชน์ที่จะได้เพียงในขณะที่มีชีวิตอยู่พอตายไปประโยชน์อันนี้ก็หมดไปเอาติดตัวไปไม่ได้ส่วนประโยชน์ทางธรรมนี้ใหญก็สามารถเอาไปได้ครับแล้วแต่ว่าจะทําได้ระดับได้ถึงระดับไหนประโยชน์ทางธรรมก็มีตั้งแต่ระดับทานสีงภาวนาอืทําทานก็จะไปสวรรค์ รักษาสิ่ก็จะไม่ไปอบายภาวนาได้ก็ไปชั้นพรหมชารียบุคคลไปพันธิพาลอันนี้ก็คือประโยชน์ทางธรรมก็มีสองทางเลือกคนส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ได้มาสัมผัสเนียนรู้จากพระพุทธศาสนาก็ต้องเลือกทางโลกไปหาตำแหน่งหาโยธาเงินหาทองน เป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาจากักรพรรดิเป็นอะไรเป็นประธานาธิบดีมหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสตา่างๆในรับรางวัลเกียรติยศต่งตางๆนี่ก็คือความสุขทางโลกซึ่งมันก็เป็นของชั่วคราวอาจจะหมดไปก่อนที่ตายไปก็ได้ บางทีมันมีเหตุการณ์มีอะไรทำให้าลาภยศเสริญที่ได้มานั้นเสื่อมหมดไปก็ได้อโอกาสที่จะต้องเจอกับความทุกข์ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับหาทางโลกก็จะมีมากว่าไปทางธรรมทางธรรมนี่จะไม่มีเสื่อมมีแต่เสื่อมกไม็ไม่ได้ทำให้ใจเศร้าโศกเสียใจเลย เสื่อมก็สามารถที่จะทําเพิ่มเติมต่อไปได้ไม่ในความทุกข์อยากการแต่ว่ า, วาหาผลประโยชน์ทางธรรมอาจจะทุกข์ตรงที่ต้องต่อสู้กับกิเลส ท, ที่คอยขวางทางเวลาจะทําทางเนี่ยกิเลสความตันิยก็มาขวางกั้นความเห็นกันตัวก็มาขวางกั้มนมาคอยกีดกันไม่ให้ไปได้ทําทาน ในลารักษาศีลก็เหมือนกันกิเลสก็จะมาขวางกันเวลา จ, จะไปภาวนาะก็กิเลสก็บอกไปแล้วลำบากนะไปทุกอยยากลำบากไปเที่ยวกันดีกว่าไปหาความสุขจากโลกเสียงกินร้อนจดีกว่ามันก็จะมีความสุขในการที่จะต่อสู้กับกิเลสที่จะคอยขีดขวางการการปฏิบัติทางธรรมเป็นนิวร์ต่างๆ ถ้าไปภาวนาเดี๋ยวก็อยากจะไปดูดูหนังฟังเพลงอยากจะกินอาหารเย็นนี้ก็ภาวนาไม่ได้นะภาวนาแล้วก็ง่วงนอนไม่มีเวลาภาวนาถ้าไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงเแต่เมื่อถ้าสามารถเอาชนะกิเลสได้จิตก็จะสงบได้รับความสุขในขั้นต่างๆําทานเอาชนะกิเลสความตนันหได้เวลา เวลายากไปแล้วใจก็สุขสบายมีความสุขเวลาจะทําบาปเนาะห้ามใจได้แม่ให้ทำบาปใจก็สบายเวลาอาวน า, า, าได้ใจสงบยิ่งเจอความสุขใหญ่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากลาภยศสนเสริญแล้วถ้าเราทำเป็นเราก็สามารถรักษาได้ทําไปเรื่อย แต่แม้มันจะเสื่อมแต่เราก็คอยเติมได้มันจะไม่ให้เรามันจะไม่ทําให้เราทุกข์ทรมารเหมือนกับการเสื่อมทางลาบยศสารเสริญเพราะว่าเราเสื่อมนี่มันเติมยากเวลาเงินหมดทีนี่มันหามาเพิ่มยากเวลาหมดตำแหน่งพุนตาแหน่งไปก็จะไปหามาคืนนี่ก็ยากดังนั้นถ้าอยากจะใช้ชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ให้ไปทางธรรม ทางที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติและนำเอามาสอนพวกเราตอนหน้านั้นพระเจ้าก็หาความหาประโยชน์ทางทางโลกเป็นเจ้าชายก็เตรียมตัวที่จะไปเป็นกรรษัตริย์ต่อไปแต่พอไปเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นความแก่ความเจ็บความตายก็เลยเห็นความไม่เที่ยงของนามยศสารเสริญก็เลยเปลี่ยน วิธีไปหาประโยชน์ทางธรรมที่ยั่งยืนกว่าที่ดีกว่าที่ปราะจากความทุกข์ที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆหมดสิ้นไปนั่นก็เลยสละราชสมบัติออกบวชการสละราสมบัติก็คือการทำทานทำร้อยเปอร์เซนต์เลยมีเท่าไหร่ก็สละหมดยังก็ไปบวชไม่เอาเงานติดตัวไปแว้แต่บาทเดียว ไปบวชก็ไปรักษาศีนล น, น, นั่นก็ไปภาวนาลุกสมาธิในสมัยนั้นก็มีแต่เรียนแค่ขั้นสมาธิยังไม่มีขั้นปัญญาอะไรอัดับความทุกข์ได้ชั่วข่าวชั่วขนาดอยู่ในสมาธิแต่พ อ, อ, อจากสมาธิมาพอคิดพอเห็นเรื่องราวต่างๆก็สร้างความทุกข์ใหม่ขึ้นมาองค์ไรต้องทลดคน้นหาหาวิธีทำอย่างไรไม่ทุกข์ในขณะที่ใจออกจากสมาธิก็เห็น วความทุกข์เกิดจากความอยากโมปัญญาสัจสี่การหยุดความอยากได้ความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอยากเจ็บตายมีน่าตายเกิดอีต่อไปอันนี้ก็พระพุทธเจ้าทรงทำเป็นตัวอย่างให้พวเราดูแะจากกาเกิดมาในสกุลที่สูงเป็นโนของกษัตริย์ แต่ท่านก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัก น, นาตาควบคุมบังคับมันไม่ได้ก็เลยหาทางาออกด้วยการมามาสร้างประโยชน์ทางธรรมเป็นในที่สุดก็ได้บรรลุถึงพระ น, นิพพานเป็นพระพุทธเจ้าด้วยนะใจไม่มีความทุกข์หลงแล้วยูในใจเพราะเหตุที่ทําให้ใจทุกข์ถูกกำจัดด้วยการปฏิบัติทานด้วยปฏิบัติสติสมาธิปัญญา นี่แหละคือประโยชน์อันสูงสุดที่เป็นมนุษย์สามารถทําได้มนุษย์นี่เราเป็นผู้ที่มีมีโอกาสมากกว่าสัตว์อย่างหนึ่งถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉ า, านก็ปฏิบัติไม่ได้หรือแม้จะอุปถัมพระพุทธเจ้าเช่นมิงกับช้างก็ได้แต่แค่การทำหมุนทาทานนับใช้พระพุทธเจ้านั่นเองแต่ไม่ฟังไม่สามารถเข้าใจถึงคำคำสั่งคำสอนของธรรมได้ ไม่สามารถเอามาเบ็นปฏิบัติได้เป็นเทวดาก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าหรือมีพาาระอรหันต์ที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้ถึงจะสั่งสอนได้มนุษย์ได้สามารถเข้าถามพระอรหันต์หาพระพุทธเจ้าได้ง่ายเพราะาท่านเป็นมนุษย์เหมือนกันพูดถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยู่คําสั่งคำสอนของท่านก็มีการจด บ, บันทึกเอาไว้ สามารถเอามาใช้ศึกษาเร่อเรียนเป็นที่พึ่งได้ น, นการนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงเถิดว่าเป็นเป็นโชควาสนามหาศาลถ้ามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระ ธ, ธรรมคําสอนก็จะได้สามารถศึกษาและปฏิบัติและรับประโยชน์จากคําสั่งคําสอนข อ, ของพระพุทธเจ้าได้เห็นภพนิชานี้เขาบอกเราจงึงเถือว่าเป็นภพชาติที่ ที่มีคุณค่ามากเพราะว่าท้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีทางรู้เรื่องของเรื่องหลักเรื่องของการปฏิบัติธรรมเลยเรื่องของการมนุษย์ถึงพระนิพพานนี้ไม่มีทางที่จะรู้ได้เราก็อาจจะไปหาความสุขจากโลกธรรมหรือถ้าทางทางทาธรรมก็อาจจะรู้แค่ทานศีลหรือนั่งสมาธิอันนี้ มีอยู่ในยุคที่ไม่มีพุทธศาสนาก็ยังมีคนที่สามารถปฏิบัติทามงมนุษย์สอนท้งเรื่องทาบุญทาทานนักษาศีลเรื่องนั่งสมาธิกันได้อยู่แต่จะไม่มีเรื่องปัญญาล อ, องใช้ชีวิตของมนุษย์ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดเถิดเพ้ไม่เสียชาติเกิด โอเคนะยังมีเวลาอยู่นะคุณหมอยังไม่หมดนะขอบคุณรมคุณอย่างสูงกรับอาจารย์ <S <S <S มีหมอมีหมอคนหนึ่งอายุเจ็ดสิบห้ามึงยังมาบวชได้นะยังมาบวชอยู่ปฏิบัติได้พอท่านหยุดทํางานรอบท่านก็บวชเลยอันเป็นปฏิบัติไว้ก่อนตั้งแต่ยังทํางานอยู่พอพอลาออกจากงานต้นท้านอ า, อายุเจ็สิกว่าแล้วนะท่านยังทํางานอยู่ แ้วก็ว แ, ลว แ, ลวแล้วแล้วก็บวชไปบวชแล้วก็มาอยู่ที่วัน ญ, ญานี่อันนี้สึกถึงนอายุ70 78 79ท่านยังแข็งแรงเดินบินธบะได้ทำอะไรได้เดินจงกรมทั้งวัน ย, ยังไม่สายถ้าอยากถ้าอยากจะบวชยังไม่สายแต่ต้องต้องซ้อมให้ก่อน เกนาเก่าก okay. ็คนยังจงด้วยอาจารย์โอเคไปได้คนที่ติดมาต่อ <S <S เกา่าน้องสกังค่ะอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะข้มารับฟังค่ะปัจจุบันอยู่ขั้นไหนแล้วตอนนี้นไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์อ่ า, าตอนนี้จเจริญสติอยู่ค่ะแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันค่ะไม่รู้ว่าขั้นไหนอ่ะอยังไม่ทราบเลยค่อะอาารย์แลว้วปนผสมไปหลัใช้แน่จ๊ ไปเรื่อยๆคะ่ะอ้นนัอย่างนั้นน่ดอย่างนี้หน่อยอยังไม่เป็นก่อเป็นกรรมอย่างใดอย่างหนึ่นงครับไปเออาารื่อยอยู่ค่ะพรอาจารย์เร้าใจอารมณ์ช่วงไหนอยากจะทําบุญก็ทําบุญช่วงไหนอยากจะรักษาศีลก็รักษาศีลยังไม่เลยเข้าร้องเข้าลอยยังจะเลยท่าไ <c oughs> ประ <c oughs> อ า, าจารย์พระอาจ <ๆ S 2> ารย์มาแข็งแรงนะคะอ่าคุณสาวิกาจ่ายหน้า ขั้นไหนแล้วปฏิบัติอยู่ขั้นไหนแล้วเหมือนเดิมคะ่ะอยู่แต่ในห้องแต่ก็ถ้าสมมติว่าไปดูพ่ออย่างเงี้ยคะ่ะก็ไปแต่ส่วนมากคือลูกไม่มีอะไรจะทะําเพราะอาจารย์แฟนลาออกด้วยลูกก็เลยแบบข้างหน้าเนี่ยลูกไม่ได้อยู่ลูกก็เลยอยู่แต่ในห้องไม่มีอะไรจะทำํกทำก็ทํากันบ้านเฉยความแก่ความเจ็บความตายเราเราอยู่เอ๋อหนุ เออลูกก็พิจารณาตลอดะคะ่ะแล้วก็ฟังก็จ ะ, จะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะอ่านหนังสือธรรมของพระอาจารย์แล้วก็ฟังธรรมพระอาจารย์แล้วก็พิจารณาแต่ที่เราไปเจอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเรียนรู้จะทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ก็ถือว่ามันเป็นก็มันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะคะ่ะมันเป็นธรรมชาติ ก็ถ้าต้องเตรียมตัวทําการบ้านนะควองแก่ oh. ความเจ็บความตายนี่มัน <10. S 2> มันเป็นข้อสอบที่เราทุกคนต้องทํากันนะใช่ใช่เพราะว่าลูกก็พอดูพ่อดูแม่เนี้ยค่ะลูกก็ลูกก็กตั้งแต่เห็นแล้วลูกก็น้อมมาเป็นที่ตัวแล้วค่ะก็จะอย่ <ju> างนี้ค่ะว่าอาจารย์ทําไปเรื่อยๆค่ะไม่หวั่นไหวกับความแก่คําเจ็บความตายเฉยๆค่ะไอเลื่อนแก่ ให้อะไรแล้วก็เรื่องเวทนาเนี่ยไอ้พวกลูกมีปัญหาพวกเรื่องกระดูกอะไรของลูกอยู่แล้วก็พอ<ม>พอจับคนได้พระอาจารย์ลูกไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ว่าถึงถนาดเพราะที่นี้ลูกมาเห็นอย่างที่แต่ละคนเนี่ยในในความรู้สึกลูกเนี่ยแต่ละคนก็มันก็จะมีสภาวะความอดทนไม่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่เราพูดหรือไม่พูดอะไรอย่างนี้นะคะพระอาจารย์อันไหนที่รักษาได้ก็ ทำแต่อันไหนที่ลูกรู้สึกว่าก็ยังยังคงบอกพระอาจารย์อยู่เสมอว่าถ้าเราเป็นมะเร็งสเตจ ส, สุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกก็คิดว่าลูกคงไม่ไม่รักษาก็ปล่อยต่ประมาณค่ะน้วยก็รู้ทางออกของเราแล้วยไปทำอะไรไม่สับสนมาถึงเวลาเจอข้อสอบจะได้กอกคำถามได้ทีนี้พอพอเวลาถ้าเราไปเจ อ, อผู้คนอย่างเงี้ยค่ะเขาเขา มันก็เลยตอนลูกเคยถามอาจารย์อยู่แล้วว่าถ้าสมมติ ว, ว่าคนเราเนี่ยเออตั้งแต่แรกๆเลยอย่างเงี้ยถ้าเราฝึกไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะคือปกติเราก็เป็นคนชอบอยู่อยู่บ้านอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอเราไปเจอคนที่เขาเขาชอบไปนู่นไปนี่เขาก็จะบอกว่าเราอะ่ะไปทําไมไม่ออกไปนู่นไปนี่แต่ลูกแบบไม่ชอบลูกลูกชอบอยู่อย่างนั้นลูกกรอยุ่ของลูกได้ลูกไม่มีปัญหา ลูกก็เลยว่าลูกก็อยู่ประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าลูกก็อย่างเงี้ยแหละเรื่องของชาวบ้านเขาเราไม่ต้องไปสนใจสนใจตัวเราใช่ใช่เขาจะเขาก็จะบอกลูกว่าลูกว่าแบบทําไมไม่ออกไปเที่ยวไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเหมือนใช้ชีวิตแต่ลูกลูกก็ใช้ชีวิตแล้วก็อยู่แบบคนแก่อยู่แบบคนเจ็บอยู่แบบคนตายใชเพราะว่าลูกเห็นเห็นแม่ลูกลูกเห็นพ่อลูกอะ ก็จะอยู่ได้แค่ห้องสี่เหลี่ยมประมาณมันไปไหนไม่ได้พอตอนไปไมันต้องอยู่เตียงแล้วมันก็เจ็บป่วยนะมันต้องทนอยู่ไม่ได้ น, นะคะงั้นมันก็เข้าลงไปในาลที่สุดเลยใช่ใช่ใชไ ป, ไปไไเทียเท่ยวไหนไปเที่ยวไหนเนี่ยว่าต้องจำเข้าลงอยู่ดีได้ใช่แต่รูปขอแบบในในที่ลูกเคยเห็นนะคนแก่แบบถ้าเป็นตายายสมัยก่อนๆ น, นะคะ อย่างหญ่ลูกสมัยแบบทวดเลยอ่ะเขาก็ตำห ม, มากแล้วเขาก็ตายยายของแม่ก็คืออยู่ๆเขาก็กินข้าวแล้วก็กระป๊อกลูกอย่างหลับแล้วป๊อกอย่างนั้นอ่นนาแล้วป๊อกแบบไหนก็ขอให้ใจน้องไม่ไม่ทุกข์ก็แล้วกันใช่แต่ถ้าประหยัดถ้าประหยัด ก, ก็เดี๋ยมันไม่เป็นแบบหน้ า, า จ, จะทุกข์ได้นะใช่ใช่แต่ลูกก็เห็นที่ของของแม่ลูกที่ที่ที ฝึกนะคะพระอาจารย์เขาก็จะประมาณอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็ก็ฝึกภาวนาตลอดเนี่ยการการที่เราอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอตอนท้ายเป็นมะเร็งอะสติอะไรเขาโอเคค่ะพระอาจารย์แล้วก็สุดท้ายพอตายอ่ะเขายิ้มอย่างเงี้ยรู้ว่าก็น่าจะโอเคถ้ายิ้มได้ก็โอเคคนะ่ะรู้ก็เลยว่าก็ประมาณอย่างนี้แหละพระอาจารย์รู้ไม่มีอะไรอก็ใช่ค่ะอีสนท่ม อ่าคุณยายครับเด็กชายสั้นโดดตอนนี้เป็นนายแล้วยังยังเป็นเด็กชาย อ, ยอะไรนะครับอาจารย์ยังเป็นเด็กชายแล้วเป็นนายแล้วเนี่ยนี่เป็นเป็นนายแล้วครับอายุส <c oughs> <18 S 2> ิบแปดแล้วเหรอใช่สิสิบห้าครับสิบห้าเขาเรียกว่านายแล้วเหรอครับ <c oughs> แต่ผมก็ยังเป็นเด็กชายของพระอาจารย์เสมอนะครับอ <c oughs> อคุณยาย <c oughs> สวัสดี อก็อยู่บ้านเหมือนเดิมค่ะก็อยู่แบบคนแก่แปดสิบสามแล้วคะแปสิบสามจะไปไหนเนาะจะเข้ารอเข้าลโรงจะไปไหนอแก่ก็ก็รออยู่เน่ะคะรอไอ้ไอ้นั่นเลยค่ะครอบครัเราทุกคนเข้หมือกันนะรอเข้าลงนันเนี่ยเป็นเดี๋ยวเราไม่ยอมรับเพราะเราเราเข้าลงกันแก่ก่ยอมรับค่ะ ยอมครับยอมจะไปดิ้นทำไมจะไปทำอะไรให้มากมายกายก้องทำไมทำให้เหนื่อยกว่าใช่ไหมพอให้มีกินมีอยู่ไปถึงวันวันตายก็พอแล้วไม่เอาอะไรมากมายเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ในโลกนี้ใหญ่ก็มีแค่นี้ละทั้ มีความสุขขนาดนี้ก็พอละอยู่บ้านมีความสุขก็ถือว่าใช่ได้นะอ่า <c oughs> พระยาจย์ครับผมคุณยายเนี่ยพอพอมาปฏิบัติธรรมะ่ะแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออทำมากมันดีมากเลยเวลาที่ใครที่เป็นรุ่นเดียวกันหรือรุ่นเด็กกว่าเนี่ยมาปรึกษาปัญหาอะไรด้วยก็จะบอกแต่ว่าให้ให้มาปฏิบัติธรรมให้อะไร แล้วเขาบอกเดี๋ยวจะปรึกษาเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปปรึกษาพระอาจารย์สุชาติให้เดี๋ยวไปปรึกษาพระอาจารย์สุชาติให้ผมเลยบอกว่าผมเคยทํามาแล้วแ้วก็โดนพระอาจารย์บอกว่าอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านคุณยายปวดร้อตั้งแต่เช้านะครับพระอาจารย์ก็ถ้าเราเข้ามาหาเราเราก็ต้องช่วยเขาแต่เราอย่าไปยุง่งกับเขาถ้าเขาไม่มาหาเราครับใช่ใชมีมีมาอยู่ครับตั้งแต่ เนงแต่ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยดูมีคนอยากปรึกษามากถ้า <laughs> อ, อยากปรึกษาแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาให้เขาก็บอกเข้าไปแต่อยู่ดีๆอย่าไปนึิเข้ามาบอกจะให้คาปรึกษาไม่ต้องไถ้าเขาไม่ต้องการคำปรึกษาก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาเขา เขาชอบทำอะไรนะเขาเขาชอบฆ่าสัตว์อืมคุณยายคุณยายก็เลยเป็นบุคคลใจดีจะเป็นกาลยาธรมิตรไปบอกเขาว่าอย่าฆ่าสัตว์เลยมันบาปนั่นที่รู้ว่าถ้าบอกไปก็จะมีปัญหาผมเลยบอกว่ามาถามพระอาจารย์เองลวกันไว้ทําไงผมบอกคุณยายไม่ได้หรอกผมเป็นผมต้องรอนเขาถามเราก่อนว่าทำฆ่าสัตว์บาปไหมแล้วค่อยบอกเขาถ้าเขาไปถามก็ไม่ต้องไปบอกครับ จริงนะพระอาจารย์ผมว่าเขาคงไม่น่าถามหรอกเพราะว่าเขาค้าเขาคาดแสดงว่าเขาต้องคิดว่ามันไม่เป็นไรนะเขาแก่ประมาณนี้เขาจะไม่รู้ระบากก็ไม่บาไม่ใช่เขาอายุเท่าคุณยายครับไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กความซื่อนี่ไหน่อยอายุเท่ากันกับฉันนะคะแต่ก็เป็นเจ้านายนะคะไม่ต้องสอนแล้วแต่อายุขนาดนี้มันไม่เห็นระดับนักเรียนแล้วระดับปรมาจารย์ทั้งนั้น นะครับพระอาจารย์มันก็ต้องแยกแยะระหว่างคนแก่ที่คุณภาพกับคนแก่ที่ไม่ยอมทำตัวเป็นปรมาจารย์กเน้าแต่เขาละถ้าเขาไม่มาปรึก ษ, ษาก็อยาไปอยาไปสอนเขาอย่าไปบอกเขา บอกคุณยายฟังไว้คุณยายคุณยายมาหลายอาทิตย์แล้วจริงๆมีเรื่องนี้ยหลายอาทิตย์แล้วมาขอให้ผมพูดให้ใบอกว่าไม่รู้จะทำไงผมก็บอกเขาทุกอาทิตย์บอกเคยถามพระอาจารย์แนวนี้แหละแล้วพระอาจาร์บอกอย่าไปยุ่งเรื่องของชาว บ, บ้านกลับมาอยู่กับพุทธเขาบอกบอกคุณยายละคุณยายเขาก็หัวเราะแล้วก็เตือนทุกอาทิตย์เสะนตัวเราดีกว่าคุณยายได้ประโยชน์กลับไปสอนคนอื่น อยากไม่ทำอยู่แล้วค่ะอยากไม่ทำอยู่แล้วก็สิ่งอย่างก็สอนในเรื่องที่เรายังไม่ได้ทำเนยเรื่องไหนที่เรายังไม่เลิกก็สอนให้เลิกนะเลิกดูละครเลิกดู u t u b e เลิกอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ไม่สอนตัวเองไงตายนะการนั้ก็ไม่ได้มากมายอะไรเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวนั่นแหะอยู่บ้านคนเดียวนั่งสมาธิได้ดีที่สุดไม่มีใครมายุ่งมาแล้วยายนั่งนะคะนั่งนั่งแต่มันนั่งได้แบบ ชั่วโมงเนอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันละสองครับสองครั้งนางก็จะมาเดินต่ออยืยายเดินไม่ได้ขาเจ็บนะคะถ้าเดินได้ยายเจ็บเดินแล้วงั้นก็นอนก็กนันอนพุทโธเก่งว่าถ้านอนพุทโธมันใกล้รีโมทกลัวจะหยิบไปกดเปิด ยายนาเป็ยายนะตั้งแต่สมัยไหนสมัยค่ะยายยายเป็นคนซื่อแล้วก็เป็นคนเซอร์โดยนิสัยของตัวเองตั้งแต่เด็กเลยนะคะอืยายเป็นคนซื่อเซอร์อันนี้ประจานตัวเองเนี่ยท่านยอมรับเลยคนที่วันตัวเองเซอร์เนี่ยเป็นคนฉลาดรู้อืม มันจะได้รู้ว่าอย่างเราเน้ต้องเรียนเรียนเพิ่มเติมอีกถ้าเรารู้ว่าเราโง่เนี่ยแต่คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดนะคนนั้นอ่ะโง่เพราะครฉลาดเพราคนฉลาแล้วก็ก็คิดว่าไม่ต้องเรียนอะไรแล้วรู้มากแล้วดีนะครับอาจารย์ผมเป็นคนซื่อคือผมนีสเซอร์จริงๆเลยนีชังเซอร์ต้องต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมจากท่านอาจารย์ ผมยังไม่ฉลาดครับต้องหาความรู้เพิ่มเติมก็ปฏิบัติตามแนวทางที่พระอาจารย์ให้ไว้ไม่ไม่น้อยกว่านี้ก็ตามนี้เลยครับตามแผนที่ที่พระอาจารย์ให้เอาเลยเอาให้เต็มที่เลยนะครับพระอาจารย์ขอขอเมาเรื่องสุดท้ายก่อนละคุณแม่เขามีแผนการเนี่ยพระอาจารย์ก็เอิญผมอ่ะน้อยวันพันปีไม่เข้าเมืองหรอกก็อยู่ที่บ้านนี่แหละมานั่งอ่านหนังสือ ปรากฏว่าเมื่อวานมีต้องไปทำเวิร์กช็อปตรงในเมืองคุณแม่ก็ให้แต่งตัวสะหลอใช่ไหแม่บอกอยากอยากให้สาวๆเห็นแล้วเขาชอบปรากฏว่าแต่งตัวไปมันกลายเป็นดูภูมฐานนอาจารย์เขาเดินผ่านบกว่เขาเดินผ่านปกตินะคนอื่นนะ่ะของผมเขาก้มหัวเ ง, งียเขาคิดว่าผมเป็นผู้ปกครองที่มาร่วมเวิร์กช็อปผมเลยบอกออน่าจะ อนาคตการแต่งงานไม่น่ารลต้องต้องคงต้องบวชนนดีอาจจะเราแบบคุณหมอท่านนั้นที่อระจาน์พูดถึงที่บอกเจ็สิบกว่าเราถึงบวชมวชอยู่ไม่ถึง7จดสบกว่านั่นแล้วสิครับพระจันถ้าอย่าประมาทพระเจ้าบอกอย่าประมาณอย่าพันวันประกันพรุ่ง รีด ท, ทำกิจตั้งแต่บัด น, นี้เพราชีวิตไม่รู้จะจบสึ้นลงเมื่อไหร่ของแต่ละคนไม่เท่ากันโอเคนะครับไม่ประมาทครับไม่ประมาทผมเซอร์ครับเซอร์ครับพร้อมเรียนรู้กันโอเคไปที่คุณกิจุกที่โกเบยังไม่เปิดไมเลยเปิดใหมยัง ก, การนรรมการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าเป็นยังไงมีอะไรไหมหนูก็ปฏิบัติยัง้งพยายามปฏิบัติอยู่เรื่อยๆ เ, เจ้าค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงดูเวทนาอยู่เจ้าค่ะแต่แต่มันก็ดูยังยังได้ไม่ดีเจ้าค่ะบางทีหนงก็แบบปวดจนลุกก่อนบางทีก็ก็ใช้ลมหายใจอะคะไล่ไล่เวทนามันก็ไปมันก็หายค่ะพระอาจารย์ แต่อันนี้ไม่ใช่วิธีปฏิบัติเาปฏิบัติไม่ต้องการจะไล่มันต้องการจะอยู่กับมันอยู่อยู่แล้วก็ให้ดูว่าปวดขืงขนาดไหนนี้่ละจะคะเออให้ให้ชอบมันอย่าไปเกรียนมันไม่ใช่ว่าไล่มันไม่ได้ยิงไล่มันยิ่งอยู่ให้ชอบมันให้รักมันมันจะได้ไม่จะได้ไม่ทุกข์กับมันเวลามันมาเวลาเราได้อยู่กับคนที่เรารักก็ทุกข์เลยอือเจ้าค่ะไม่ เให้รักไม่ธรรมดาให้รักความเจ็บโอ้ยมาแล้วดีใจคิดถึงเธอเหลือเกินให้ให้คิดแบบนะั้นอ่ใช่มันจะได้ไม่ทุกขนะ์ไงแล้วก็ดูไปไม่ต้องดูหละต้องยินดีต้อนรับอะไรกอดเขาเลยเจ้าค่ะจะพยายามต่อไปเจ้าค่ะทำเหมือนกับเราวเวลาเจอสุขก็ไม่ธรมาเราเป็นยังไงเวลาเจอความสุขกอนเลยใช่ไหมโอ้ยดีใจวันนี้สุขเหลือเกิน ต้องกลับทุกเวทนาก็ต้องโอ๊ยดีใจวันนี้ทุกเลอเกินเจ็บเลอะเกินอะไรมันเสมอภาคถ้าเรารักสุขเวทนาเราก็ต้องรักทุกเวทนามันก็เหมือนกันมันก็เป็นความรู้สก se se ึกเจ้าค่ะจะเอาไปปฏิบัติค่ะมี่มีคําถามอีกคําอาจารย์อองค์ธรรมแห่งการตัดสู้โคจรเจต่ะค่ะพระอาจารย์ ปิติกับปสาศรีนี่คือเราจะต้องมีให้ได้เหรอเจ้าคะถงะึงจะมันเป็นผลตามมันจากการทําสมาธิเมื่อทาสมาธิเจิตสงบก็มีปิติมีปราศรีมไม่ต้องกังวลอะ่ะขอให้มีสติเริ่มต้นที่สติผู้ชงสตินะมันทุกอย่างมันก็ตามมาเองเจ้าคะ่ะหนูจะพยายามต่อไปเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ โ okay. <Okay. S 1> อเคสาธุในที่อาจารย์พรหมปิราคุณอ น, นุกูลเดินได้ยังอาการเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นได้ยังก็ได้พุทโธ ท, ทั้งอาทิตย์แล้วครับเมื่อวานนี้ไม่ได้เดินแต่ได้เดินทุกวันยกเว้นเมื่อวาน อ, okay. อันนี้ไม่ต้องใช้สายได้ไหม ใช้สายใช้สายไหมยังยังใช้อยู่ฮะพราวันอาทิตย์นี้ครับจะไปจะไปเอาออกค่ะหมอนัดนัดอาทิตย์นี้คอับก็ยังใช้อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถวยอาหารนะคะที่ศาลาฉันอืมค่ะอพาคุณอนุภูมไปค่ะโอเคค่ะไม่มีอะไรนะ <ม>ครับม่มีอะไรค่ะมันกรามนมัตการค่ะอ่าสาธุอ่าตนเองเชียงรายเชิญกรรมนมัตการพระอาจารย์ครับอืมเป็นยังไงมีกรรมสัดช่วงนี้ในสัดชีคลายไปแล้ว <laughs> ก็คิดว่าเดี๋ยวช่วงเข้าวันศากับพระอาจารย์ครั บ, รบอืมเตรียมเตรียมตัวเข้าช่วงเข้าวันศาด้านน่าจะทําในสันิกครับพระอาจารย์ครับ เป็นเสือต้องไม่ทิ้งไลน์อาจารพูดถ้าเสือทิ้งลน์มันก็กลายเป็นหมาไปค <laughs> รับผมครับไม่ทิ้งครับอาจารย์ครับก็ปฏิบัติทุกวันครับอาจารย์ครับ อ, อยู่อยู่กับลมหายใจครับอ่าวันไหนสงบก็ลมหายลมหายก็ก็อยู่กับให้มีลมครับอาจารย์ครับก็มันก็สุขอยู่ครับอาจารย์ทำทํ า, ๆๆท า, าให้มันนิ่งให้มันเฉยให้มันเย็นให้มันสบายมีความสุข ให้มันจะได้ไม่ไปหาความสมดังโรคเสียงกิีดลดครับผมครับเพราะว่าก็เียตพยายามอยู่ครับพระอาจารย์ให้ให้ให้ได้สมาธิก่อนนะครับพระอาจารย์ครับก็พยายามทําทุกวันครับทุกเช้าทุกเย็นครับอาจารย์จะได้ละคามฉันทะได้ละความสงความยินดีในโรคเสียงกิีดลดได้ครับผมครับก็ขางั้นกรรม มันก็มันมันยากอยู่นะครับพรอาจารย์ถ้าไม่ยากนะลูกเสียงกินรถนะครับอืมตก็พยายามอยู่ครับอาจารย์อืมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าถ้าถ้าเกิดว่าได้สมาธินี่ยมันมันก็จะเฉยจะเฉยอยู่ได้นานอยู่ใช่ไมับใช่ไหมครับมันมันมีความสุขในตัวในมันก็ไม่หิวกับลูกเสียงกินรถแต่ครับผมก็ก็ทุกวันนี้ก็เวลาอยู่ช่วงที่ไม่ได้อยู่สมาธิบางทีมันมีเสียงอุกเกือกเสียงดังเสียงอะไรผม มันไม่ค่อยสุขใจเท่าไหร่นะวัชามุทิตก็มันมันมีอะไรมากระทบอย่างเงี้ยวาชช์ที่บอกโอ้ยทําไมมันไม่เงียบสักทีอย่างเงี้ยครับมุทิตก็อย่าไปอยากให้มันเงียบาต้องต้องยินดีตามมีตามเกิดมีเสียงก็ปล่อยมันมาไปเราพิจารณาว่าเป็นอนัตตาไปห้ามมันไม่ได้ครับแต่เราไม่ต้องไปสนใจมันมันได้ามันหน้าก็ปล่อยมันมา เราก็อย um> ู่กับพุทโธพุทโธไปในเวลาที่เวาจะไปยุ่งกับเสียงล้วก็ดึงใจให้อยู่กับพุทโธไปครับครับต้พิจารณาเป็นอนัตตาครับอืมงั้นก็ปล่อยเขาแล้วเราก็เราก็อยู่พุทโธเอาไปครับเสียงงานจะมาก็ปล่อยเข้าไปแล้วก็อยู่พุทโธไปก็อยู่ด้วยกันได้ครับครับเพราะว่าบางทีก็บางทีก็พุทโธพุทโธอยู่ก็ก็อยู่อยู่นะครับก็อยู่กับพุทโธอยู่อยู่กันนะครับอืม บางทีก็หลุดบางทีก็หลุดพุทโธก็หากลับมาหาสียะใช่ครับบางทีก็หลุดเหมือนกันไปรำไปรงควานไปรงคลาอ่าไปไปมีราคายกับเสียงเองใช่บางทีก็มีแบบรำคลายบานทีก็บนงทีมก็หลุดับไม่ลายเขาทาไมเขาก็ไปถงเข้าอยู่นัมนอนเราไปรำคายเขาเองเราไปอยากใช่ครับเปนตัวอย่างแต่แต่บางทีก็ ก็พี่นาเหมือนกันมันเสียงเอ้ก็เสียงมันก็เสียงเหมือนกันเนี่ยบางทีก็โหพี่นาเหมือนกันนะครับเสียงทําก็เสียงเหมือนกันเสียงอย่างอื่นมารบเอมันก็เสียงเหมือนกันเสียงนอาจารย์เอ้เสียงนกร้องอะไมันก็เสียงเหมือนกันนะครับใช่ครับเหมืนที่มันมีมันมีนกอะฮะนกนกเอี้ยงเงี้ยอาจารย์มันมันมาตีกันเป็นเป็นผุ่งอะเสียงเสียงดังอะครับอาจารย์แับโอ้ไม่นไรมันไม่รู้แบบเป็นน่าตามเป็นเสียงธรรมชาติครับครับผม อ่นแต่ในี้จจังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็หมดไปมันไม่ได้อยู่ตลอดเวลาถ้าผมพี่จี น, านจา<ำ>เป็นตายรักไปทีใจท<ำ>ุกข<ำ>์เพราะไปอยากให้มันหายผมน้องไปปฏีบัติครับพระอาจารย์ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มารับฟังพระอาจารย์ตามครับผมกลับของคุณพระอาจารย์ค ร, รับผมสาธุครับคุณหมอภาสนาเชิญ า ก, ก, การนมัสการค่ะพระอาจารย์กลับกลับมาแล้วค่ะ <g iggle> ก็รู้สึกดีมากค่ะพระอาจารย์ก็ลื่นเริงในการปฏิบัติก็ก็ไม่ข้อสอบเป็นนะคะพระอาจารย์ทรั้งคราวนี้ก็ที่วัดจะมีนกนอกอยู่งเออตอนที่เดินจงกลมมาเป็นฝูงเลยพระอาจารย์แต่ว่าดูเลยใจนิ่งเลยค่ะไม่เหมือนสมัยสอนตัวเลขแรกที่ไปขอชิบูจะมีสันสันแนล้วนิ่งแล้วพระอาจารย์แล้วก็บอกเขาว่าเออไม่เป็นไรก็อยู่ด้วยกันแล้วก็เดินไปไม่เป็นเดินไปเดินแล้วก็ยังเดินของเราอยู่เขาก็เดินไปสักพักเขาก็กับ ตอนแรกมาดูดูเลยนะพะอาจารย์เลยสิบกว่าตัวอ mm hmm. แต่หลวงพอท่านเมตตาท่านบอกไว้แล้วอันนี้เสียงอะไรเสียงนกยูท่านเคยตอนที่ไปนะคะท่านก็บอก mm hmm. แล้วก็พี่หนุ่มตอนนี้ท่านให้นั่งคนที่ถือศีลแปดมาปฏิบัติท่านให้นั่งพี่หนุ่มนั่งต่อหน้าที่จะบวชแล้วตัวเองก็นั่งต่อไม่เชีดีนะพระอาจารย์มีสติเลยเพราะว่าต้องห้ามทำศีลดังเวลากิน mm hmm. พี่หนุ่มบอกโอ้ตืเกรงเลยแต่ตัวเองก็ชอบค่ะพระอาจารย์บรรยากาศดีมากเลยค่ม mm hmm. แล <mid lasting. S 1> JI, so ally, ้วก็พระอาจารย์ก็เทศเทศในภายพระอาจารย์เทศอริยาสตร์แล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยเวลาม่รู้เหลืออะไรก็รู้สึกก็เลยขออนุญาตพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวกลับไปใหม่อาจารย์ไม่ต้องขออนุญาตเรามันเกี่ยวกับเราเ่านั้นหน่อยด้วอาไม่รู้ขออุญาพระอาจารย์สามดวงันก็อนุญาตท่านบอกว่าได้เลยมาได้คะก็แล้วก็อีกอันนึงนะพระอาจารย์พระอาจารย์สาดวงเบอกว่าท่าน่ะรู้สึกแบบดีกับพระอาจารย์สุชามากๆเลยเพราะว่า ตอนที่ท่านไปอยู่บ้านตาบ้านตาท่านเถียงกับหลวงตามหาป่วยใช่ไหมฮะแล้วก็โดยไม่ให้อยู่แต่หลวงแต่ว่าจากพระอาจารย์สุชาติแ่ะก็มามาเหมือนกับเมตตาบอกกับท่านว่าเออถ้าเราสงสัยเราก็ถามเลยท่านบอกท่านจําได้อันนี้ท่านบอกท่านขอบคุณมาตลอดนะครัอาจารย์ก็เลยมาเล่าให้ว่าอาจารย์ฟังว่าไม่รู้อาจารย์จําไม่ได้เแตยว่าท่านอะจำได้มาตลอดเลยก็ปฏิีบาดตอนครับอาจารย์อือดี๋ยวเดี๋ยวพาคุณพ่อไปตรวจ ไปตรวจไปหาหมอแล้วก็น่าจะโอเคนะคะเดี๋ยวไล่ขึ้นพ่อเรียกว่าจะไปห้องไหนอะไรเงี้ยก็ก็สลับวางลูกก็ทํางานแล้วนะคะตัวเองก็จะมีเวลาเยอะขึ้นคนโตทํางานและวคนคนเล็กก็ B6 นะคะนี่หมวงจะได้หมวดไปจากใจแล้วทีใช่รู้สึกเลยว่าเอ อ, ขอเข้าใจคาว่าห่วงจริงนะคะอาจารย์แต่ว่าตัวเองก็<ม>เดี๋ยวนี้ไม่ไม่สมัยก่อนนี่จะห่วงลูกมากเลยพ่ะอาจารย์นิดหน่อย<ม>อะไรเงี้ยกลับเด็ไม่เท่ากลับหรือเขาอยู่เวอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้แบบเออใส่ใสเรารู้แล้ว ว่าเราทําหน้าที่ของเราคือทําเข้าใจคําว่าทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วแล้วก็ทํางานของเราที่เรามาเกิดในโลกเริ่มเข้าใจแล้วครับอาจารย์อโอเคทําต่อไปนะนอ่ะ<ำ>านต<ำ>ั้งใจทํเลยอาจารย์ขอบคุณอ่ะไปในราศีว่าคุณนุาห์กับอิศยายอยู่องเภอเมืองเนอะอเภออําเภอแวงค่ะพระอาจารย์เแวงอ อำเภอแวงเล็กกค่ะอยู่ไกลจากอำเภอเมืองมาเกือบร้อยโลค่ะอืมตันยงมัดไี่อยู่ไกลนะตันยงมัดก็อำเภอละแงะบ้านมาริกาและหาอำเภอละแง่อยู่ก็ใกล้ๆก็เกือบกเกือบร้อยโลเหมือนกันค่ะเพราะละแงะแล้วก็ถึงนาาทิวาสค่ะตันยงมัดนี่เป็นตําตําบลนะไม่ได้เป็นอำเภอเนี่ยตันยงมัดก็คือตัวอำเภอละแงะเลยค่ะเป็นตัวอำเภอละแงะค่ะสถานีรถไฟค่ะอืม ยมจำยมจาได้ว่าอาจารย์เคยบอกว่าอาจารย์เคยอยู่ตนยงมัดจำจำได้ค่ะทำไมเขาคนต้งเรียกตอนอยันยงมัดทำไมเขไม่เรียก ล, ล อ, อบแง่นะอ่าลอบแงะนี่เป็นชื่ออําเภอค่ะตันยงมัดคือหมู่เหมือนกับเป็นพื้นที่ตรงนั้นนะคะเรียกตันยง<ำ>มัดเป็นตนําบลใช่ไหมยมไม่แน่ใจว่าตําบลน่า น, น, น่าจะใช่ค่ะอสําหรับโยมนะคะอาจารย์วันก่อนโยมไปเดินรอบสนามค่ะคราวนี้เดินเดินเร็วนะคะ เดินตั้งใจว่าว่าสิบรอบแต่พอเดินไปประมาณรอบที่แปดรอบที่เก้ามันมีความรู้สึกอยากนั่งค่ะจะบอกเอ๊ะเราปวดหัวหรือเปล่าเวียนหัวหรือเปล่าไม่ใช่มันเดินเดินรู้สึกอยากจะนั่งแต่บอกนั่งไม่ได้เดินเดินจนกระทั่งเอ๊ะมันจะนั่งก็เลยถอยออกมานั่งค่ะจันมันเป็นอาการของการเดินล้นจากนั่งแหละค่ะก็ไม่รู้แหละมันก็อยากรู้มันก็เป็นความอยากให้ทำอะไรคือมันต้องดูว่ามันมันมันถูกกาละเทศะหรือเปล่า ไม่ใชอยากจะอยากจะทําพวบก็ทําเลยโดยที่ไม่ดูการะเทสะว่าควรหรไม่ควระค่ะมีความสุขว่าเดินเดินเดินแล้วจนกระทั่งบอกอยากจะนั่งเลยอะค่ะแบบนั้นค่ะยมฝืนไม่นั่งค่ะก็เลยบอกเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ค่ะอาจารย์อ๋อังไม่เกิดอะไรมันก็เกิดความอยากนะแต่เป็นความอยากที่ดีทั้นั้นก็ไม่เสียหายยังไงอ๋อค่ะไม่ใช่ไปอยากนั่งดูหนังเนี้่นั่งสมาธิ ค, คือเหมือนกับว่านั้นก็ต้องรู้ว่าเป็นกิเลสอย่าไปทำตามมันคือมันเหมือนกับ <ๆ S 1> ว่ามยมยมตั้งตั้งหลักไว้ว่าจากจุดนี้ถึงจุดนี้จะต้องนิ่งก็ไปไปอย่างนี้เรื่อยๆค่ะทีละทีละซี่ค่ะสมมุติว่ามันสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะจากทีละเส้นทีละเส้นแล้วก็ใช้วิธีเดินแบบนั้นเดินเร็วๆมันก็รู้สึกว่ามันมันจะนิง่งค่ะจะนิ่งก็ลองกันหน่อยทอะไรให้มันชิ้นเป็นอันไปถ้าตั้งใจจะทำอะไรก็ทำให้มันเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันไปก่อน ไม่ใชาพอทไปครึ่งทางเอาอยากจะทํานั่นก็เปลี่ยนใจไปทำโน่นต่อเดี๋ยวไปนั่งเพราะเดี๋ยวเปลี่ยนใจอยากจะเดินเนี่ยก็ลุกขึ้นมาเดินหนึ่งไม่ค่ะยมก็เดินจนโคบรรหาดเดินเดินเดินเดินฝืนไม่นั่งค่ะฝืนไม่นั่งก็เดินต่อไปค่ะอ่า ม, มันก็ต้องมีกาลเทศะไม่เห็นไม่ผลจะทำอะไรตอนแรกเอ้ย ม, มันมึนระปั่ามันไม่ได้มึนแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเรานิ่งอะค่ะมันเห็นจะเหมือนกับพื้นยาพื้นสนามยางอะค่ะเดินอยู่ตรงนั้นแล้วก็ซึ่งอยากจะนั่ง ไม่ได้ฝืนฝืนเดินไปอะคะ่ะอาจารย์อันนั้นคือเรื่องที่เอ๊ะเกิดสงสัยว่าถ้าเราเกิดนั่งมันมันแสดงว่ามันผิดการลาศิษ์ต้องให้เดินให้เสร็จก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ไม่แน่ถ้ามันมีการลาศิษนั่งได้จะนั่งก็ได้มันนั้งแต่เราจะพิจารณาว่ามันควรไม่ควรเหมาะหรือไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์แต่ตอนนั้นคือโยมก็ไม่นั่งฝืนจนเดินเดินจนครบอะค่ะแล้วก็เลี่ยงมานั่งอยู่ริมทัริมท่ริมริมฟุต บิมฟุตบาทบิมอัจจานนะคะก็ะเดินมาตรงนั้ น, นะคะ่ะแล้วก็สําหรับโยมนะคะลูกค้าโยมที่ขายดอกไม้อโยมปิดร้านบ่อยลูกค้าเขก็ถามว่าไหนไม่สบายเป็นอะไรลองบอกมาสิทําไมต้องไปอยู่วัดนานๆป่วยเป็นอะไรประมาณบอกว่าโยมโยมป่วยอะคะ่ะแล้วก็ไปอยู่วัดเพื่อรักษาให้พระรักษาประมาณนั้นนะคะโยมบอกโยมไม่ได้เป็นอะไรอาการเป็นยังไงลองบอกมาเป็นห่วงค่ะลูกคา้าเป็นห่วง ยมอยังไม่ได้เป็นอะไรจริงๆมันเหมือนกับว่าเพราะว่าเหมือนกับคนป่วยแล้วไปให้พระรักษาอะไรประมาณนั้นนะคะลูกค้ายมจะเป็นห่วง ย, ยันเป็นเนะที่ไปเข้าไปรักษาใจไงใจมันไม่สง บ, ม, สบมันไปรักษาใจใช่ค่ะยมบอกยมไปรักษาใจเขาบอกว่าอาการเป็นยังไงจับมือนะคะถามอาการมันเป็นยังไงเล่ามาเออแล้วยมจะบอกยังไงอะคะยม ไม่มีมันไม่สงบมันไม่สงบมันไม่นียงไลอาจารย์โยมก็เลยใช้ยิ้มอย่างเดียวค่ะยิ้มอย่างเดียวเพราะว่าพูดไปมันคงยาวแล้วก็มีคนบอกคพี่พี่ไม่คิดจะย้อมผมแล้วเหรออ๋อพี่ไม่เคยย้อมผมผมพี่ไม่เคยย้อมแล้วมันขาวพี่ก็ไม่คิดที่จะย้อมโยมก็บอกอืมเป็นห่วงอะค่ะเขาห่วงว่าทําไมไม่ย้อมผมโยมก็บอกไม่ได้ย้อมค่ะเนี่ยค่ะเของโยมเจอแบบนี้ค่ะอาจารย์อ่าต้องรู้จักวิธี วายว่างเราไม่เข้าใจการปฏิบัติของเราก็วายเขาพูดไปใช่ค่ะแล้วก็แม้กระทั่งเพื่อนเองก็เหมือนกันบอกว่าทําไมไม่ออกคบปะเพื่อนฝูงเลยโยมบอกว่ายมไม่สะดวกไม่รู้จะอธิบายเขายัางไงคะ่ะยืนยิ้มอย่างเดียวไม่สะดวกคะ่ะไม่สะดวกแค่นั้นเองอืค่ะแล้วก็โยมจะถือสินถือสินแต่มาจะครบปีแล้วนะคะออกมาแค่สองครั้งตอนป่วยเท่านั้นเองอะคะ่ะอาจารย์นี่รักษาให้ตลอดชีวิตเลย คงคงจะเป็นอย่างนั้นและคะ่ะเพราะว่ามารู้สึกบางทีเอ๊อยากจะกินข้าวตอนเย็นดูอาหารอร่อยอย่างไปที่ที่ที่อชนบุรีใช่ไหมคะแล้วก็อ่าอะไรปีชาซีฟู้ดอยู่ใกล้ๆอะคะ่ะแล้วก็เอ๊อยังไงดีนะวันนั้นบังเอิญป่วยก็เลยได้ถือโอกาสกินก่อนกินยานะ <c oughs> ให้ให้ให้กำลังใจร่างกายนิดนึงคะ่ะกินเล่ต้องห<ม>ัดพิจารณาปฏิกูลอาหารปฏิกูลบ้าง คือตอนนี้ก็นิดเดียวเองค่ะอาจารย์บางวันก็อาหารไม่อร่อยเนะ่ก็ก็เอาแค่นั้นค่ะตัดใจแค่นั้นเองแล้วก็ขึ้นเขารอบนี้ตอนก่อนจะขึ้นอาจารย์บอกว่าให้ให้พอใจกับเรื่องอาหารยินดีตำมมีทําเกิดโยว่าขึ้นเขาแล้วก็น้องเขามาส่งอาหารใช่ไหมคะโยมก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะเวฟเอ๊ะใส่ช่องฟิตดีไหมใส่ช่องธรรมดาเถอะก็ใส่ช่องธรรมดาไว้พอตอนเช้ามาแปดโมงไฟฟ้าดับค่ะอาจารย์ ไฟฟ้าดับแล้วก็เอาอาหารด อ, อกมาเอาทาไงดีละ่ะไข่ต้มก็แช่เย็นกับข้าวก็แช่เย็นแล้วก็มีขวดซองอยู่ก็หมดอายุหยบก็นั่งพิจารณาสมัยพุทธกาลเขาดื่มน้ำมูดกันเราขวดซองหมดอายุจะทำยังไงอ่ะกินก็กินค่ะอาจารย์ก็กินขวดซองหมดอายุมาแล้วค่ะอาจารย์ก็ดีค่ะไม่เห็นเป็นอะไรก็ได้อยู่ค่ะก็ยินดีตามมีตามเกิดตามที่ว่าค่ะอาจารย์ ก็ทำไปค่ะตอนนี้ก็ทานศีลภาวนาก็ทำอยู่ค่ะครบอยู่แต่ว่าอาจจะไม่อย่างศีลนี่อาจจะขาดบ้างตรงที่ไปดูย t ท b e บ้างอะไรประมาณนั้นค่ะแต่บางอื่นไม่ได้ตั้งใจนะคะอาจารย์โพสขายของก็เลยบางอื่นก็ถลหยไปอะคะ่แะแต่จะพยายามพอมีสติก็ดึงกลับแบบนั้นนะคะอาจารย์แล้วก็ค่ะ มาริการฝากบอกว่าวันนี้ป่วยค่ะไม่เข้าซูมค่ะอ่าไว้หายเร็วๆนะบอกมาริการทุค่ะยังมีแค่นี้อะค่ะอาจารย์ดิสยามีอะไรไหมค่ะ <c oughs> <c oughs> ช่วงช่วงนี้พยายามนั่งสมาธิทุกวันค่ะมีก่อนหน้านี้ป่วยค่ะพระอาจารย์ป่วยมาหลายหลายปีแล้วค่ะเพราะว่าวินิจฉัยโรคผิดนะคะแต่ตอนนี้พอรักษาแล้วอาการเริ่มดีขึ้นก็ อได้แรงบันดานใจจากหลายๆท่านในซูมค่ะว่าเอาเราแบบปฏิบัติไปเรื่อยๆก่อนก็ก็ดีอค่ะพระอาจารย์คือหมายความว่าไม่ทิ้งเลยอย่างน้อยวันวันหนึ่งได้วันนั่งสมาธิวันละครั้งหรือว่าเช้าเย็นก็ก็ปฏิบัติเพิ่มขึ้นค่ะพระอาจารย์แล้วก็มันเกิดประโยชน์ขึ้นมากค่ะเพราะว่าเ อ, าอย่างในแต่ละวันที่เจอปัญหาหรือว่าถ้าไปพบผู้คนแล้วเริ่มมีคน มันคิดก็มีปัญหาว่าเขาจะถามอะไรซบแซกปุ๊บก็จะเก็บกลับมาแล้วรู้ว่ายังไงก็พอนั่งสมาธิปุ๊บมันก็ปัญหามันก็คลายไปค่ะเพราะว่าเวลาเราสงบมันก็จะไม่คิดเรื่องนั้นแล้วก็สอนเอใช้ปัญญาง่ายง่ายขึ้นนะคะในแต่ละวันค่ะยังได้นั่งแบบเรายยาแบบนั่งแบบและชัว่วโมงอยู่เปล่าช่วงตอนตอนนี้ยังไม่ได้นั่งค่ะมาช่วงที่ป่วย อช่วงที่นั่งตสงมาหลายหชั่วโมงเนี่ยค่ะพระอาจารย์หลังจากนั้นก็ป่วยป่วยเต็มพิกัดเลยค่ะประมาณสองเดือนเดือนกว่าๆเลยค่ะแล้วนี้เพิ่งเริ่มจะฟื้นขึ้นมาค่ะพระอาจารย์ช่วงนั้นไปหาหมอทุกสัปดาห์เลยค่ะเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งาาาค่ะพระอาจารย์ค่ะถ้าอยากจะมีสติก็นั่งนั่งนานๆนั่งแบบไม่ทรมานนั่งกายทั้งเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนแต่ไม่ให้ไปทําอะไร ให้เย็นกนั่งแบบนค่ะได้ค่ะพระอาจารย์แล้วจะกลับมารายงานอีกครั้งค่ะว่าเป็นยังไงค่ะเพราะว่ายังยังติดใจกับประสิทธิภาพของการทดลองเอ้ยได้การได้นั่งแบบนั้นค่ะมันดีกว่ามากๆค่ะมันช่วยเราต้องมีสติบางครั้งเราต้องมีสติมากขึ้นอย่างนนั่งได้เยนี้อยู่ที่เดียวได้เนื่องใจมันอยากจะไปนู่นมานี่ทำนู่นทำนี่ ได้ค่ะพระอาจารย์ตอนตอนนี้ก็ ป, ปฏิบัติแบบเต่าก่อนแต่ว่าจะพยายาม เ, าเพิ่มเพิ่มชั่วโมงหรือว่าเพิ่มกำลังเพิ่มขึ้นคะ่ะโ okay. อเคครับทุกคุณนข่งอาจ า, า, ารคุณนข่งชาวนมัสการ์ค่ะพระอาจารยาม์มีอะไรไม ม, มีคำถามเจ้าค่ะเพราะว่าโยมมีเรื่อง เอสงสัยนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมอยากถามว่าจริงหรือไม่คะที่ว่าพระ อ, อรหันต์อยู่ในร่างของคาลวาะไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเกิดเขาเป็นแบบเหมือนไม่ได้บวชอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเป็นแบบบรรลุธรรมแล้วแบบจะต้องอะไรที่ว่าจะต้องเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋าไม่จริงเลยไม่จริงเลยค่ะร่างของคารวะกับร่างของคนบวชนี่ก็เหมือนกันอาการฐานที่สองก็ยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนค่ะ พระอาหารใจก็มีศีลอยู่แล้วมันไม่ได้บวชที่มันไม่ได้บวชที่ร่างกายมไม่ได้บวชทีก่กนหัวห่มผ้าเลยขอรอกมันบวชที่ใจคนที่จะเป็นพระอาหารได้ยต้องรักษาศีลได้แล้วถึงจะมาเป็นพระอาหารได้เป็นพระแล้วงี้เขาจะเรียกว่าเป็นพระอาหารไหมอืมดูค่ะ อ่แล้วระดับของคนที่บรรลุธรรมอะค่ะที่มันที่จะมีแบบว่าโสดาสกิทาคาอนาคากับอรหันเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องแบบคุณธรรมเขาจะเพิ่มเป็นขั้นๆอย่างงี้ใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าพอเป็นโสดาแล้วพอละกิเลสอ่อะไรที่มันแบบกิเลสหยาบแล้วไปถึงละเอียดถึงจะบรรลุธรรมขั้นสูงได้อย่างงี้เป็นขั้นไหมคะหรือว่าไม่จําเป็นก็เป็นขั้นโสดากล็ละสามโยนได้สามข้อ ส ก, กิดาคาก็ทําเพิ่มอีกสองละอีกสองข้อได้ทำให้อีกสองข้อให้เบาบางแต่ยังไม่หมดอนดาคาก็ละสองข้อต่อนี่หมดได้ก็ละได้ห้าข้อสารโสดาบันไดสามข้อสกิดาคานี้ได้สามข้ อ, ส า, า ส, าขอสามครึ่งผ้านาคานี้ได้ห้าข้อแล้วพ้าอาหารนี้ได้สิบข้อมีอ๋อเจ้าค่ะ พระอารหันต์ก็คือคนจะบรรลุอรหันต์ก็คือต้องบวชเป็นพระใช่ไหมคะพระพุทเจ้าไม่ต้องไม่ต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องาการบวชอรหันต์การบรรลุนี่อยู่ที่การปฏิบททัติธรรมอารวาสก็ปฏิบัติธรรมได้พระก็ปฏิบัติธรรมได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการบวชไม่บวชแต่ส่วนใหญ่คนที่บวชเป็นพระอรหันต์นะเขาพอบรรลุเป็นพระอรหันต์นะเขาจะขอพระพุทธเจ้า บ, บวชเป็นพระต่อถ้าก็ไม่ได้เป็นพระ ถ้าก็ยังไม่เป็นพระเจ้าค่ะแตถ่ถ้าไม่ได้บวชถ้าไม่ได้บวชพนเจวันก็ยังไม่ตายอ่อเจ้าค่ะพอดีว่ามีมีเพื่อนเขาไปปฏิบัติธรรมกับอ า, อาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคาราวาสนะค ะ, ะเขาบอกเขาเข า, เขาจบกิจแล้วแต่ทีนี้ยมเห็นว่ายมก็ดูแล้วแต่แบบดูแล้วยังคือยังแบบ เดีวมีภรรยาแล้วก็ยังมีแบบเสพรูปเสียงกินลถอะไรอย่างนี้อยู่หันก็บอกว่าจบกิบอยู่ทีนี้ว่าผมก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะถ้าอย่างเนี้ยมันต้องแบบโซดาละเหมือนว่าเหมือนกับโซดากับสกิทา ย, ยังเสพกามอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องอนาคาอนาคาก็คือว่าจะต้องอันนี้คือคือเหมือนกับว่า อยู่ในแบบอยู่ในความสงบอย่างนี้แล้วก็ถึงจะอรหรันต้องเป็นขั้นๆแต่โยมก็ก็สงสัยว่าเขาจะบรรลุได้ยังไงในเมื่อยังเสพการอยู่ในขั้นนี้อะค่ะก็เลยแบบเลยเลยถามพระอาจารย์ว่าเอ๊ะมันจำเป็นต้องเป็นขั้นๆไหมจะได้มาพิจารณาอย่างเงี้ยค่ะคือปฏิบัติใขั้นแต่คนที่นนไดนน้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่คําพูดของเขาอย่างนี้เขาจะพูดยังไงก็ได้เราจะไม่รู้จริงหรือไม่จริงหรือเปล่าเรื่องความโ huay หง ถ้าเรายังพิสูจน์ไม่ได้ก็ฟังหูไหว้ายหูเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วค่ะคือไม่เชื่อแต่ไม่ปฏิเสธเพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงต้อง ห, หาวิธีพิสูจน์ก็ได้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงก่อนแล้วค่อยถึงจะรู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็เราก็โอกาสถ้าไปเชื่อเขาเขาอาจถูกก็หลอกไ ด, ได้ถ้าไม่จริง ถ้าจริงเราปฏิเสธเขาแล้วก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากเขาเพราะถ้าเขาเป็นเยิงเขาอาจจะสอนเราได้ดยค่ะแต่โยมก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมดูรับแปลกๆโยมก็เลยไม่ได้สนใจนะคะ่ะก็มาอมสอบถามเท่านี้จ้าค่ะโยงมีสมัยนี้มีแปลกบวามเยอะเต็ไมไปหมดในเคร็ดนี่มีโผม่ขึ้นมาเรียค่ะ สำเร็จอย่างนั้นสำเร็จอย่างนี้เห็นไหมด้านในนี้จก็จบลงที่เรียบงรายของเงินทำงาหาเงินท้งน้นเจ้าค่ะกับสาธุเจ้าค่ะกับขอบพระพคุณเจ้าค่ะโอเคคุณนิสา l อตเอก์กางนมัสการค่ะพระอ า, าจารย์ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพะอ า, าจารย์ ก็ยังมีนั่งสี่ชั่วโมงสองวันนะคะพระอาจารย์ยังทําได้ก็ยังทําได้อยู่ะค่ะแต่อาทิตย์ที่แล้วก็มีแบบหวาบุญ น, นิดนึงอาทิที่แล้วมันมีจุดพูดเสียงดังค่ะพร ะ, ะ, ะอาจารย์เขาไม่ได้จุดเฉพาะวันวันชาตินะครจุดยาวไปถึงแบบมันคงเหลือเยอะคะอ่ะจุดยาวทั้งอาทิตย์เลยก็เหมือนสองการาอังสามารถต่อ ค่ะพระอาจารย์ยิ่งดึกๆนี่โอ้โหยิ่งวันอาทิตย์นี้น่าจะเป็นแบบรอบสุดท้ายนี้แบบจัดเต็มอะค่ะพระอาจารย์อืก็นิดนึงค่ะแต่ก็ก็เฉยเฉยค่ะมันก็มันก็เป็นอย่างนี้ทุกปีอะค่ะถือว่าเป็นวันข้อเ ป, เป็นข้อสอบของเราแลค่ะพระอาจารย์แล้วก็ลูกก็พยายามคิดถึงเรื่องความตายอะค่ะพระอาจารย์บ่อยๆอ่ะค่ะพระอาจารย์แต่บางครั้งบางวันมันก็ได้อะค่ะพระอาจารย์แบบเหมือนกับเออยอมรับ แบบง่ายๆแต่บางวันก็เหมือนแบบเหมือนกับมีใจแบบสั่นๆกับเพื่อม น, นิดนึงค่ะ mm hmm. ก็เลยแบบคิดแบบคิดว่าเออก็คิดทบทวนว่าเอ๊ะเราก็ไม่ไม่เห็นว่าเราจะต้องเราไม่ได้มีความกังวลอะไรนี่อะไรเงี้ยถ้าเราจะจายตอนนี้เราก็เราก็าก็สบายดีอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบเหมือนแบบเออชีวิตมันก็ไม่มีอะไรแล้วเราไม่ต้องการอะไ ร, ะไรแล้วอะไรเงี้ย บางทีมันจะคิดหนีได้ใช่ไหมคะอาจารย์มันจะฟุ้งไปไหมอ่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงไม่ต้องเจอของจริงอ๋อค่ะพระอาจารย์คือบางทีมันคือเป็นมันเป็นปกติมันไม่แปลกใช่ไหมคะที่บอกว่าวันแล้วก็รู้สึกแบบเออยอมรับเลยบางวันเราก็รู้สึกว่าเออมันรู้สึกเศร้าๆนิดนึงอะค่ะพระอาจารย์ก็อยู่ที่กิเลสของเราบางวันกิเลสมันก็เน่งมันมันไม่ต่อต้มันก็รับได้ บางวันมันต่อต้านขึ้นมาก็รับไม่ได้หรือว่าเรายังคิดไม่พอเราต้องคิดเรื่อยๆมันก็จะแบบมันจะทำเรื่อาจะอยู่ที่ความสงบของเราเมื่ไหนนั่ใจนั่งสงบมันก็อาจจะรับได้มันไหนใจไม่สงบมันก็รับไม่ได้ค่ะอยู่ที่สติของเราอยู่ที่ความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธิใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะลูกก็ติดอยู่ตรงน่าจะเป็นถ้าเป็นลูกกูติดเรื่อง เรื่องเรื่องรักตัวเองอะค่ะพระจากเรื่องแบบกลัวเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวตายอ่ะไม่กลัวนะคะแต่มันเหมือนกับกลัวก่อนตายอย่างเงี้ยนะคะพระอาจารย์ความเจ็บกัวความเจ็บใช่ค่ะกลัวความเจ็บต้องหัดยินดีกับมันต้องพยายามหัดพิอยู่กับมันไปนั่งให้มันเจ็บแล้วก็อยู่กับมันไปค่ะพระอาจารย์ค่ะอย่าไลรำเกนฑ์มันเากลัวมันเพราะเราลรำเกณฑ์มันไม่อยากให้มันเข้าใกล้แล้ว แล้วต้อย้มแล้วว่ามันตอนนี้มันไม่พ้นมันยังต้องมามันต้องมาหาเราอย่างแน่นอนยิ่ตอนนี้พยายามฝึกฝึกจิตให้หันอยู่กับมันไปให้ได้ทําใจให้นิ่งเฉยๆแล้วก็อยู่กับมันได้อืมค่ะก็จะพยายามค่ะพยายามคิดเสมอว่าคือมันก็เป็นธาตุสี่ดินน้าลมไฟอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทุกคนก็ต้องเจอความเจ็บความตายอะไรอย่างนี้ก็ปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์ บอกให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงนะคะคิดไม่พอต้องเจอต้องเจอมันต้องเวลามันเจ็บก็ได้ต้องขันอยู่กับมันอย่าไปพยายามกําจัดความเจ็บอย่าพยายามขยับน่างกายเวลามันเจ็บถ้าเราต้องการอยจะฝึกให้อยู่กับความเจ็บเนี่ราก็ต้องอยากไปทําอะไรค่ะพระอาจารย์ทำที่ใจทำใจเราให้นิ่งเฉยๆเนพะื่อจะปรับนับกับความเจ็บได้ค่ะพระอาจารย์ คือบางวันมันทนได้อะค่ะอาจารย์แต่แบบบางวันมันแบบเหมือนมันมันทนไม่ได้คือถ้าสติไม่พอต้องเรียบเรื่องสติกับมาอมันจะทนไม่ไหวต้องรีบพุโทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปค่ะอาจารย์ค่ะเข้าใจค่ะการกักษาตู้นะคะคุณโอทีได้ยินไมคุณโอ ต้องการนัพิสการพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ยินเจ้าค่ะมามาไม่ได้ไะตอนนี้ลูกก็ซ้อมอยู่เจ้าค่ะภระอาจารย์พยายามฝึกเจริญสติเจ้าค่ะวันนี้มีคําถามจะขอรบวนกลับเรียนถามท่านอาจารย์หนึ่งคำถามเจ้าค่ะอ่าช่วงเข้าพรรษาเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างคารวะที่ต้องการไปปฏิบัติธรรมนอกพื้นที่เนี่ยเหมาะสมหรือไม่เจ้าค่ะหรือว่าไปได้ตลอดตามความสะดวกหรือว่าต้องรอออกพรรษาอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ อ๋อไม่มีปัญหาเรื่องขับจําัญสารนี้เรื่องของพระไม่เกี่ยวกับข่าวสารญาติโยมใช่ค่ะอันนี้มีคําถามเดียวจ้าค่ะอืคำตอบก็คือย่างเึ่งจ้าค่ะโอเคอาบันที่คุณนปริญญาตสวิตเซอร์แลนด์ยังอยู่สวิตเซอย์แป่นะนมัสการค่ะอยู่ค่ะอยู่จีนีวาเลยใช่ค่ะอืวัน น, นี้ไม่มีไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ ต้องปฏิบัติอย่างเดียวรอด <ละ S 1> แลนะอยู่เข้าใจหมดเข้าใจหมดชีพกาอาจารา์ก็ธาตุขันเกยอย่างจิตเกยอย่างหนึ่งแต่เราต้องใช้ธาตุขันไปดูจิตอย่างเงี้ยไปไปเข้าใจกันบางทีมันเข้าใจไม่ได้ไงพระอาจารย์แล้วตัวหนูเองเป็นคนขี้สงสยัยเห็นอะไรปุ๊บบอกตัวเองอย่าอย่าสนใจเดี๋ยวมันก็หายไปอย่าสนใจ พอออกมาปุ๊บก็เอาอีกแล้วอมันคืออะไรมันมาทําไมมันนั้นแต่ว่าพยายามจะว่าอย่าไปสนใจมันมากเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรได้พ่อจาอ๋าถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับเราก็ปล่อยมันผ่านผ่านแล้วก็ใช่ค่ะก็จะน้อมน้อมออะไรที่ฟังจากหลายๆคนมาก็จะน้อมมาปฏิบัติปฏิบัติเพราะว่าแต่เราคนพูดมามี เขาเรียก <K an ye> อะไรนะครับมีบางจุดที่ใช่บางจุดที่ไม่ใช่อะไรก็จะเอาไปไปทดสอบทดลองทําดูอ่ีมีข้อ ส, <า S 2> สอบความแก่ความเจ็บความตายนะความพัดพากจากกันน<ส>ี่เป็นข้อสอบอันอันนี้ไม่ห่วงค่ะเพราะว่าส่วนตัวนี่หนูไม่ได้มีครือหนูทําของหนูไว้แล้วคือว่าตอนเนี้ยหนูทําบริจาคบริจาครลางเออบริจาควัยวะ แต่สเต็ปต่อไปก็คือจะทําบริจา่างกายไปเลยถ้ามีปัญหาอะไรไม่ต้องช่วยชีวิตเอาเธอจะเอาส่วนไหนเอาร่างกายไปทำํำไปทําได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเล้วหนูบอกทุกคนที่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าเรากลัวมันหรือเปล่าแทนสถานที่นั้แต่<อ>แไม่กลัวค่ะเพราะว่า<อ>คุยกับเพื่อนแล้วบอกว่าถ้ามีถ้าเปิดเป็นมะเร็งไม่รักษาอืม ปลพร้อมไปแล้วแต่ว่าก็มีอา่าจริงๆพระอาจารย์จะอาจจะดูโกหกไปก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่กลัวคือกลัวว่าเราจะเจ็บป่วยแล้วเป็นภาร ะ, ะคนอื่นเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้อืมแต่คือแค่มีแค่กลัวแต่เราก็เข้าใจว่าถ้าวันนึงมันต้องเกิดขึ้นมันก็เราก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปอเพราะเราก็มันมันเกิดขึ้นแล้วจะทําอะไรได้แล้วปล่อยไปตามบุญตามกรรมของเราไป ถ้ามีคนดูแลก็ดูแลไปไม่มีคนดูแลก็อยู่แบบไม่มีคนดูแลไปใช่ค่ะเพราะยังไงธาตุขันไอ้ร่างนี้เดี๋ยวมันก็ต้องดับไปอยู่วันนถ้าไม่ดับวันนี้ก็ต้องตายขอให้เราอย่าไปกลัวอะไรก็แล้วกันอย่ากลัวความแก่อย่า ก, กลัวความเจ็บอย่า ก, กลัวความตายอ่าค่ะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่แต่ว่าไ ม, ไม่ไม่ใช่ทุกครั้งนะครับบางครั้งก็เผลอไปกลัวกับมันบ้างแต่มันเป็นทำเรื่องธรรมดา มันเผดกับความคิดเนี่ยอออ๋อเผต้องเริ่มเริ่มกลับมาใหม่ต้องไม่กลัว<อ>กลัวเราทํำอะไรได้กลัวมันก็จะมันก็ต้องเจอมันอยู่ดีอืมใช่ค่ะพระอาจารย์งอ้มก็กราบขอบพระขอบพระคุณพระอาจารย์แล้วก็เอ่อทุกท่านด้วยค่ะสําหรับคําตอบคําถาม ท, าที่สนทนากันเมื่อกี้ค่ะโอเคนะท่านรบกวนละค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะอย่คุณอย่างใจคุณทวีสัยเยอะมา อ่าพี่ปุ้มไปฮอลลีเดย์ค่ะอาทิตย์ที่แล้วพี่ปุ้มไปฮอลลีเดย์แล้วหนูมีงานด่วนก็เลยต้องไปแล้วก็อาทิตย์นี้ถ้าไม่เข้าอาจจะเป็นไปได้ที่พี่ยังอยู่ที่ฮอลลีเดย์ที่ฮอลลีเดย์ที่สเปนโอเคอ่าเอาเถอะจ้ารู้เคยครับอาจารย์อ๋ อ, อ, อไปที่อุดรคุณแน่นรับเก่าธรรมสตร์ค่ะอาจารย์นี่มีคําถามปะค่ะไม่งั้นไปดิค้อนแกนต่อ อาจารย์สายทิพย์เป็นยังไงอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้เก่าวนามาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะช่วงนี้งานเยอะแต่ว่าตั้งใจทํางานแปดโมงถึงสี่ทุ่มหลายวันต่อกันเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตั้งใจว่ากลับคือกลับถึงห้องพุ๊บต้องนั่งสมาธิเพื่อเพื่อที่จะเคลียร์แล้วก็ทําให้มีสมาธิก่อนจะนอนค่ะพระอาจารย์ ตอนแรกมันจะหายใจดูหนักๆแล้วก็เสียงสิ่งแวดลอมมันก็จะได้ยินหมดแล้วเสียงหนูจะเปิด y o u ูทูบฟังไปด้วยค่ะเพื่อให้จิตมันมันมันเกาะแล้วพอมันมันเหมือนพอพอมันจะสงบค่ะพระอาจาย์มันเหมือนสวิตมันจะปึ๊บแล้วเสียงทุกอย่างข้างนอกมันมันจะไม่ได้ยินแต่ได้ยินแต่เสียง youtube ค่ะแล้วก็จะนั่งแบบนี้ไปสักพักใหญ่ๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็ แตบอกตัเอง ว, ว่าพรุ่งนี้ต้องทํางานเราจะออกแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะแต่จะนั่งได้แบบแบบนี้ทุกทุกคืนค่ะอาจารย์อกืก็ได้ได้ประมาณเท่านี้ค่ะยังติดทางโลกอยู่นะทางโลกก็ยังมีอยู่ค่ะยังตัดไม่ไม่ไม่ไม่หมดยังไม่ยังไม่คลีนอทั้งทั้งหมดค่ะอาจารย์ยังต้อมากินอยู่นะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ค่ะ กะว่าทำเพื่อเก็บในช่วงที่ที่เต็ีวางแผนไว้ค่ะพระอาจารย์ว่าให้ให้มีเพียงพอที่ที่สบายใจแล้วค่อยค่อยค่อยค่อยอออกมาค่ะคนเดียวจะไม่มีเวลาใช้มันนตายแล้วก่อนนีก็เลยกลัวกลัวยังไม่ตายแล้วไม่มีตังค์แล้วรบกวนคนอื่นก็เลยคิดว่า ตั้งใจหน่อยนึงค่ะมันต้องกลัวรอถ้าปฏิบัติทำได้ไ ม, มีคนก็ยินดีสนับสนุนเยอะแ ย, ยะไปหมดอ๋อค่ะแต่ตอนนี้ก็คือที่ที่ที่เคยเรียนตั้นส่วนก็ตอนนี้แพนแนกับคุณพ่อปีหน้าสร้างแล้วก็จะอยู่คนเดียวค่ะแต่อาจจะมีพี่พี่น้องๆ้องชอปับชแปะบมาหาบ้างคุณพ่อไม่ให้ไปบวชออมีอันหนึ่งคุณพ่อบอกว่ารู้ไหมว่าทาไมถึงไม่ให้ไปบวช คุณพ่อบอกว่าก็าถามธรรมะให้สวดมวนต์ให้ปั่ก็สวดมวนต์ไม่ได้คุณพ่อให้สดวดบทอะไรไม่รู้ค่ะพระอาจารย์แล้วถามธรรมะอะไรพระไตรปิฎกพ่อบอกว่าไปอ่านพระไตรปิฎกให้จบก่อนไม่งั้นไม่บวชแล้วก็เขาไปบวชเรียนแล้วพ่อไม่ใช่เรียนก่อนไปบวชแต่กับคุณพ่อค่ะพระอาจารย์คือคุณพ่อเขาบอกว่าถามแล้วก็คือ ก็คือเหมือนเรไปบวชแล้วก็ควรที่จะไปสอนคนอื่นได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปแบบแบบรู้มัง่งไม่รู้มัง่งอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยก็เลยอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวจะจ ะ, จะอ่านพระไตรปิฎกไปด้วยแต่ว่าเขาปฏิบัติไปด้วยค่ะพระอาจารย์คุณพ่อก็บอกรู้ไหมว่าทําไมพ่อไม่ให้ไปบวชพ่ออยากจะจะจะบอกนานแล้วแต่เกรงใจอะไรเงี้ยค่ะจะจะหาว่ามามาบอกคนที่มีความรู้อะไรเงี้ยค่ะว่าบอกได้บอกได้ ก็เลยอ๋อโอเคพอไม่มั่นใจกลัวเราแบบเหมือนไม่รู้จริงแล้วเผื่อไปสอนคนอื่นอะไรเงรีาา้ยค่ะพระอาจารยก็เลยข่าวว่าอ้าวเขาก็ไปบวชเรียนค่ะก็เลยพอตั้งใจจริงตคงปฏิบัติที่บ้านให้ให้แน่นๆ่นก่อนค่ะพระอาจารย์อนาคตก็อาจจะไปได้ก็ได้คะ่ะอ่าแต่อ น, า, นาคตยังมีไกลยอยู่นะนี้ค่างโอเคค่ะนนนะประมาณนี้โอเค ค่ะ<ข>สาธุค่ะอ่าไม่ได้คุณแม่แม่แม่ น, อ น, น้องเลนน่ะค่ะกับสาธุค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูมไหมเจ้าคะอ่าได้ยินค่ะพระอาจารย์ก็ยังลุยค่ะพระอาจารย์ก็ปัจจุบันนะคะก็วันนี้ก็ไปเจาะอ อ, อ่น้ําระบายออกอ่ะคะ่ะเพราะว่า <c oughs> ประเด็นคือมีปัญหาอยู่นะคะพระอาจารย์ก็ แต่ว่าตอนที่หมอใช้เข็มเจาะหนูก็ฟุทโฮฟุโฮค่ะพรจานท์ก็ไม่เจ็บเหมือนกันค่ะเหมอก็จะถามว่าปวดไหมตอนเจาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีอาการปวดแล้วค่ะพระจานทร์ก็เลยเอาร่างกายที่เหลืออยู่เนี่ยค่ะก็ให้หมอได้เป็นเคสสตาร์ดี้ไปเลยค่ะพระจานทร์คือก็ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปอะค่ะพระจานทร์แล้วก็พรจารย์ค่ะพอดีว่าก็ได้ประโยชน์หลายอย่างค่ะในการปฏิบัติธรรมอะค่ะ พอพอเราไม่ได้มารู้สึกทั้งด้านร่างกายใจก็แฮปปี้ค่ะถึงหน้ามันจะวมแต่คนอื่นเขาก็จะแบบอารมณ์แบบฉันไม่อยากที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าส่วนตัวมีความสุขดีมากนะคะพระอาจารย์เพราะว่ามันสุขที่ใจอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. หนูก็ดีใจคะ่ะที่ได้เจอพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์เห็นลักษณะร่างกายที่เป็นแบบนี้ mm hmm. ก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. หนูก็เลยเพราะว่าน้อยคนนะคะเวลาเห็น เอ่อร่างกายพิการหรือมีปัญหาเนี่ยเขาจะแบบเศร้าใจหรือทุกข์ใจค่ะแต่ส่วนตัวสําหรับหนูว่าแฮปปี้ดีนั่นเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็ไม่ได้มาทุกทรมานร่างกายค่ะพระอาจารย์ตอนตอนหนูศึกษาค่ะพระอาจารย์หนูต้องเรียนระดับโรงเรียนระดับอําเภอสู่โรงเรียนจังหวัดคือการแข่งขันนะคะสอบแล้วก็เข้ามหาลาัยระดับประเทศอย่างเงี้ยค่ะแข่งขันเพื่อเอาชนะคนอื่นนะคะพระอาจารย์ แต่สิ่งที่หนูได้ในการปฏิบัติธรรมคือชนะใจตัวเองค่ะพระอาจารย์โอ้มันเป็นความสุขที่ไม่ใช่ความสุขทางโลกแบบนั้นนะคะ่ะพราะนั้นมันปุ๊บมันก็คือจบแต่ทางธรรมเนี่ยมันคือตลอดเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คือแบบถึงแม้จะเจอปัญหาร่างกายที่แบบมันเป็นปัญหาแบบนี้แต่ว่าไม่ได้มาทุกข์ใจอะไรอะค่ะพระอาจารย์มันเป็นแบบพอไปเจอเวลา รับประทานอาหารก็จะเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนดูแลรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ที่มาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ทำให้มันมีประโยชน์นะคะพระอาจารย์แล้วก็เวลาเจาะผ่ออาตัดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ประเด็นคือการติดเชื้อในกระแสะเลือดเราเหมือนกับว่ายอมรับไวรัสกับแบคทีรียะคะ่ะพระอาจารย์มันเลยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการติดเชือ้อแล้วก็ไม่มีไข้ะคะ่ะหมอก็จะกังวลว่า มันมีปัญหาในแบบนี้กลัวติดเชื้อแล้วก็มีออักเสบในอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันยังไม่เกิดค่ะพระอาจารย์ก็ยังอยู่กับมันได้อ่ะค่ะเป็นการทดสอบสภาวะใจกับไวรัสและแบคทีเรียเลยค่ะพระอาจารย์มันยอมรับมันอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ได้ใช้ประสบการณ์หนูก็ถือว่าเป็นกาทดสอบหนูด้วยแล้วค่ะพระอาจารย์ในการที่เราแต่ก่อนการผ่าตัดเนี่ยเราจะแบบ อันตี้มันคือไม่ยอมไม่กลัวจะเป็นติดเชื้อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ปจิบัตพอมาได้ปฏิบัติทำเหมือนยอมรับสภาพที่เป็นแล้วก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพระอาจารย์ก็เลยแฮปปี้ดีค่ะพระอาจารย์ทังใจนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่คนอื่นเขาเห็นร่างกายทุกใจ อ, อย่างนี้ครับร่างกายทุกคนมันไม่สมมาก่อถ้ามองเข้าไปข้างในเหมืนอนกันทั้งนั้นนะมีกระดูกมีน้ำใส่ ตับมีไตมไม่มีอะไรสวยงามหน่อยจ้งเจ้าคะนะรื่อกัวงวลนั่งกายไม่ใช่ตัวเราของเร า, อ, าอย่าง้ั่างี่คพูดอ่ามันใช้มันไปตามมาให้เอามาทำประโยชน์มาปฏิบัติทำมาบรรลุทำกันจ้าค่ะอาจารย์ก็หนูก็รอแบบว่า ถ้าเกิดมีปัญหาแล้วจากทิ้งร่างกายมันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็แฮปปี้ดีคะ่ะพระอาจารย์แต่พอดีพอมีปัญหามันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะพระอาจารย์กลายเป็นว่าหายเร็วแล้วก็ได้กลับบ้านเร็วอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาไปมีปัญหาในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์มันไม่มีปัญหานะคะมันกลายเป็นว่าได้กลับบ้านเร็วหนูก็เลยว่าโอมันเป็นแบบพอเรามีความสุขทางใจแล้วปัญหาทางด้านร่างกายมันเริ่ม ลดลงนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ดีอันนี้การจะเป็นอันดัส์งของการปฏิบัติธรรมก็ได้นะค่ะพระอาจารย์สาธุค<อ>่ะโอเคอันนี้คุณซันนี่แมนครัคุณซันนีกล่บมนมาสักการ์ค่ะพระอาจารย์วันนี้มาเริ่มฟังธรรมเหมือนเดิมค่ะไม่มีป็นไม่มีคำถามค่ะเงี้ไปให้คุณปุ้ย ปุ้ยอักสำรวจแอมมาสการ์นอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะคุณปุ้ยสบายดีค่ะแต่ว่าใอาทิตย์สัปดาห์ที่ผ่านมาเอ่อจะหย่อนสักนิดนึงแต่ก็ยังภาวนาและก็ยังสวดมวนต์เจริญจิตถือศีลเหมือนเดิมแต่เวลาภาวนาหย่อนไปนิดเดียวค่ะอาจารย์เพราะว่าพอดีลูกลูกชายมา ย้ยังไงไม่ทําเลยใช่ไหมไม่ไม่ใช่ทําค่ะแต่ว่าคือปกติอ่ะเราจะทำสามสี่ชั่วโมงต่อวันทีนี้มันจะเหลืออยู่สองชั่วโมงอย่างเงี้ยพระอาจารย์เช้าชั่วโมงหนึ่งเย็นชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยและแต่สวดมนต์เนี่ยโยมไม่ลืมโยมจะสวดเช้าโยมจะสวดเย็นเพราะว่าถ้าวันไหนโยมไม่สวดรวมรู้สึกเหมือนเหมือนจะมีอาการแบบมันไม่ดี คือเรารู้สึกเหมือนคนไม่แค่ได้กินข้าวอะ่ะพระอาจารย์โยมหมดเป็ น, นอย่างเงี้ยนะก็ดีก็ดีค่ะถ้าไม่ทิ้งได้<ต>ก็ดีโยมไม่เคยทำเท่าที่ทำได้ไปโยมไม่เคยทิ้งเพราะว่าโยมมีสัจจะว่าโยมตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วยมจะเดินทางทำต่อให้ลูกชายมาอย่างไงโ ย, ยมก็โยมก็บอกกับลูกว่า ยงเดินต้องถือศีลนะต้องสวดมนต์นะอยู่ต้องเข้าใจนะเออเขาก็บอกเขาเข้าใจแล้วบอกว่าเรากินเจนะเรากินให้มื้อเดียวเขาก็เข้าใจเขาก็เดินตามเราเขาบอกว่าอ่ะยงจะกินตอนเที่ยงเหรอเออฉันจะกินตอนเที่ยงไม่มีปัญหาอ่ฮะเอยคือไอเราความเป็นห่วงเรามันยังมีอยู่เยอะอนะ่ะนี่ยไอคือเขาก็เหมือนกับมีปัญหามามาปรึกษานะคะอาจารย์ ปัญหาวัยรุ่นเน่ะปัญหาไอ้กุ้งกุ้งแฟนแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกอับเขาว่าเราก็คือเราก็อาจจะแบบเราบอกเขาแต่ไม่รู้ว่าเขาจะฟังเราหรือป่ะนะครับพระอาจารย์เราก็พยายามเอาธรรมะให้เขาฟังคืออธิบายธรรมะอย่างที่พระอาจารย์อธิบายแล้วบอกว่าเออยู่ๆก็ฉันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอยู่ก็ลองลองฟังตรงเนี้ยเพราะว่า คนมีมีความรักมันก็ต้องมีชุบอยู่ดีแหละเอออืโยมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงกับเขาโยมก็เลยเสียวเวลาไปนิดนึงหย่อนไปนิดนึงแต่ว่าโยมไม่ลืมจะเดินทางทำอ่ะโยมไม่ลืมอยู่แล้วพระอาจารย์เด้โอเคนะถ้าไม่มีอะไรก็ไปต่อนะนะไม่มีค่ะพระอาจารย์โย ม, มาขอให้พระอาจารย์ท่านขันแข็งแรงไหมครับสาธุ อใหคุณปุ้ยมีแต่ความป ร, ระสบความสำเร็อให้นั่งให้รวยนะขอบคุณเจ้าค่ะสาธูเจ้าค่ะอันนี้คุณยินดีต่อคุณยินดีอยู่ cancer ไม่มีอะไรค่ะถ้าอาจารย์เข้ามากราบเหมือนเดิมาอาจารย์แล้วก็เดวิดเหมือนเดิมค่ะถ้าอาจารย์อบอกขอบคุณเช่นะบอกขอบคุณครับวันสงเต็ม เหมือนเดิมคะ่ะท่านอาจารย์ <Okay. S 2> ค่ ะ, <Yeah. S 1> ะคุณนุกตาญานอาจาร้์นามัสการข้าพอาจารย์ไม่มีคำถามคะ่ะเขามากราบอาจารย์ค่ะโอเคคุณปิยพัฒ์ช่วยเล่นไม่ทราบจำไม่ได้นะไม่ได้สายวันนี้คุณตัวกับคุณนัดใช่ไหยที่ไหนคุณต้าและคุณนาน แมทพระอาจารย์นามสกุลครับอาจารย์แมทกับป้าครับัเาลี่ยนชื่อชื่ออาจารย์เวลาแก้ไสชื่อมันอาจจะแก้ไม่ทันแล้วมันเข้าไปแล้วครับอาจารย์ไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรจำหน้าได้ไม่ได้จำชื่อไม่ได้ดีใจค่ะพระอาจารย์จําได้แล้วครัะอาจารย์ค่ะปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็พยายามทําทานศีลสมาธิปัญญาให้ให้ครบอะค่ะพระอาจารย์ในแต่ละวันค่ะ ครั้ น, นี้มีมีคําถามนิดนึงค่ะพระอาจารย์อย่างเปกติอาคาะหนูจะสวดมนต์ทำสมาธิสั้นๆตอนเช้าแล้วก็มักจะแบบเหมือนแผ่ส่วนบุญให้กับแบบเหมือนบิดาที่เสียไปแล้วอะคะ่ะ<ม>ก็คือจะทำอย่างนี้ทุกวนันครัวงนี้เนี่ยเวลาแผ่ส่วนบุญถ้าเกิดหนูเคยได้ยินพระอาจารย์เคยเคยบอกว่าถ้าทําสมาธิอะมันมันต้องเป็นถึงขั้นอัปปนาสมาธิใช่ไหมคะถึงจะเอาตรงนั้นอะไปแผ่ส่วนบุญได้ กรณีที่แผ่ส่วนบุญต้องเป็นทานใช่ไหมคะพระอาจารย์คือทานมันมันทาเร็จทันทีไงพอเราทําบุญปับ๊บเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาทันทีที่เรแผ่ก็คือความสุขใจความสุขใจนี่เรียกว่าบุญแต่บุญที่เกิดจากนั้นั่งสมาธินี่บางทีมันยังไม่เกิดเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าถึงอัปปนาสมาธิความสุขใจจากการนั่งสมาธิยังไม่เกิด ครับอาจารย์แล้วอย่างหนูหนูก็แบบพยายามทําทานอยู่เรื่อยๆคะ่ะอาจารย์แต่บางบางทีมันไม่ได้ถึงกระทําทุกวันคราวนี้หนูอาจจะทําไปแบบเมื่อสามวันก่อนแต่เวลาหลังจากนั้นนะหนูหนูก็คือเอานึกถึงบุญนึกถึงทานเดิมเพราะว่าหนูจะแบบเหมือนแผ่ส่วนบุญทุกวันที่แบบทําสมาธิอย่างเงี้ยพอได้ไหมคะพระอาจารย์เมื่อบุญที่เราแผ่ไปแล้วส่งไปแล้วมันก็หมดไปแล้วมันจะมันไม่ไม่มีของที่เราจะส่งไปแล้ว มั่นถ้าอยากจะส่งของใหม่ก็ต้องทําบุญใหม่ค่ะพระอาจารย์แต่เราส่งความปรารถนาดีได้ว่าขอให้ทุกคนอยู่เป็นสุขเป็นสุขแผ่เมตตาได้อยู่ค่ะพระอาจารย์ในเมตตากัแผ่บุญนั้นเป็นคนละอย่างกันบุญทีื่อส่งของไปให้เขาบุญมันมือนของและเมตตานี่เป็นส่งความปรารถนาดีก็คือถ้าแผ่ส่วนบุญให้ย่คุณพ่อที่เสียไปเราก็คื อ, อยังไงก็ ก็คือถ้าถ้ากิจนี้แบบอย่างเช่นทําบุญอันนี้ไปแล้วก็คือก็คือเอไปแล้วก็ให้เอามา<ห>เรีเลยนรันไม่ได้ใช่แลเจ้าก็เอามาเอามาจากที่ไหนแนละ้วก็ให้ทไปแล้วโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> เราเราถ้าเกิดแบบเป็นบุญเอปกติเวลาแผ่สมบุญจะเข้าใจว่าเป็นบุญที่เกิดจากการทําทําบุญของแบบอย่างทําทางาศาสนาอย่างเงี้ยค่ะทําบุญบริจาคที่บัดก็โดยปกติเราก็มักจะทําบุญกับาศาสนา แต่คามดีบุญมันก็เกิดจากการทำํำของบุคคลอื่นได้ทําับโรงพยาบาลทำกับโรงพยาบาลทำกับคนยากจนทำกับสัตว์นี่มันก็เป็นบุญเหมือนกันเพียง <c oughs> แต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงบุญเหล่านี้เพราะโดยตามหลักที่พระเจ้าสอนท่านก็ให้ทําบุญให้กับพระใช่ไหม <c oughs> ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สอนให้ทําบุญนี่ก็เกิดจากมีเหตุการณ์มีคน กษัตริย์มีอะไรเข้ามาบรบกวนท่านนอนไม่หลับถามว่าเป็นอะไรพระเจ้าบอกว่าเป็นดวงวิญญาณของของของอำาตย์เก่าเอามาขอส่วนบุญแลก็ถามว่าจะทํำยังไงพระเจ้าบอกทําบุญถวายทานให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าไปอนี่มันมันมันมันจะไปทําทําทําบุญอย่างอื่นได้หรือไม่อันนี้ก็ ต่ว่าได้กันได้ต่ว่าไม่ได้กันไม่ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์พระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณคระอาจารย์มากค่ะอาจารย์คือความจริงอ่ะทำบุญกับพระเราก็มีความสกใจทำบุญกับคนธรรมดาแล้วเช่นพ่อแม่เราเราก็มีความสกใจเหมือนกันมันก็เป็นบุญเหมือนกันนะเห็นมันก็อยู่ที่ว่าเราจะมองบุญในรูปแบบไหน บุญที่เกิดจากความเห็ใจสุขใจมันก็ทํากับใครแล้วก็ได้ความสุขใจอย่างใจเหมือนกันมันก็เป็นบุญเหมือนกันแต่ถ้าจะตามแนวตาาําราทั้งพระพุาธเจ้ามีบอกให้ไปทําบุญกับพระมันเขาก็เลยยึดแนวทตำลาเนาะจะทําบุญหนวดทิศให้กับผู้ร้องรับไปครับไปทําบุญนิมนต์พระมาทําบุญด้วยนึกไปใส่บาตรอะไรเหมือนต้น อันนี้นเขาไปหลังจะเป็นประเพณีทำเนียมตามทำตามกันมาใจ่ค่พระอาจถ้ามองตามหลักความจริงหลักธรรมบุญไม่ได้เกิดจากการทําบุญกับพระอย่างเดียวนะใช่ไหมทำบุญกับคนอื่นที่เขาก ต, กตกทุกข์ได้ยากเดือนแล้วมันก็บุญเหมือนกันมันก็ได้บุญเหมือนกันเพรา้น mm hmm. ถ้าจะถามว่าเอาตามแบบตำลาแบบตามประเพนีก็ทําบุญกับพรนะอะไรอุทิศบุญไป ถ้าทาบุญทํำตามหลักความเป็นจริงก็ทํำกับใครก็ได้เรามีความสุนใจ <ทำ S 1> ความสนใ <ทำ S 1> จนั้น็คือบุญนั่นแหละเราแบ่งไปให้กับผู้ลงรับไปแล้วได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์นะมัน <ภา S 1> ทีก็ <ภา S 1> พูดยากเหมือนกันค่ะค่ะแต่เข้าใจแล้วค่ะก็คือต้องมึงถ้าถ้าถ้าแผลส่วนบุญก็ต้องทําบุญใหม่ใหม่นูเข้าใจแล้วค่ะพอดีบางทีหนูทําบุญสามมาแต่ว่าเรา แผ่ส่วนบุญทุกวันอย่างนี้ยค่ะก็ยังแบบพยายามนึกถึงความสุขที่ได้จากการทําบุญครั้งที่แล้วอยู่แต่ก็ยังคิดอยู่ว่ามันมได้ใช่ไหมอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็ไม่ต้องกังวลมากเรื่องการอุทิศบุญบางที่เขาค่อนรับก็อาจจะไม่ได้มารอนรับก็ได้เพราะเ<ม><ม>ขามีบุญของเขาอยู่แล้วเราเป็นแต่อุทิศไปในช่วงนี้แล้ว่างไหนเรามีโอกาสทําบุญแล้วก็สามารถอุทิศบุญอนั้นได้ก็อุทิศไปคนไหนล้วไม่ทำบุญก็ไม่ต้องกังวละ ค่ะครัอาจารย์ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะสาธุจ้าครับไปที่คุณจอยปฏิญาเงาจอยค่ะได้ยินหนูไหมคะได้ยินจ้าอย่างนั่งสมาธิหยือ่ะเมื่อเช้านั่งค่ะแต่ได้แค่ไม่นานพยายามทำไปบ้างน้อยก็พยายามทำไปเหมือน ค่อยๆหัดทําไปเนี่ยก็จะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าวันเข้ารรษาอาสาฮานุไปอยู่วัดค่ะจองที่พักก็เลยจองเร้อยแล้วค่ะ <c oughs> โอเคดีแล้วหนูไม่เลิกเราควรจะถามว่าเออถ้าสมมติว่าคนที่อยากไปบวชที่วัดยาณเขาบวชที่อื่นเขาจะไปถือสินที่เป็นพระนะคะที่วัดญาณ น, นี่คือต้องไปติดต่อที่วัดใช่ไหมคะต้องไปหาเจ้าอาวาสถ้าเป็นพระต้องไปหาเจ้ า, า, า, าอ า, าวาส แล้วเขาสามารถไปจำภาษาที่นั่นได้ไหมคะก็แล้วแต่เจ้าว่าก็จะรับหรือไม่รับอ๋อเหมือนเขาอยากไปฝึกกรรมฐานดร อ, อะไรนั่นแนหะก็เหมือนก็ต้องไปขอเจ้าของบ้านก่อนเจ้าของบ้านก็จเจ้าอาวาสอ๋อก็คือไปติดต่อที่วัดได้เลยใช่ไหมคะไปที่วัดแล้วไปหาเจ้าอาวาสต้บงไปาทางทางวัดทางเจ้าหน้าที่เขารับไม่ได้ถ้าเป็นพระเจ้าหน้าที่เขาไม่รับแต่พวกคารวะ mm hmm. คนเราพังแหนกัน อย่างญาติโยมเนี่ยจะมาอยู่วัดญาณนี่ก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทางวัดให้เขารับได้แล้วมีที่พักเขาก็าให้เข้ามาพักได้แต่ถ้าเป็นพระที้ต้องไปติดต่อกับเจ้าอาวาสคนตะกรณีกันครับค่ะหมายถึงว่าถ้าเขาจะไปอยู่พรรษาหนึ่เพราะว่าได้ก็ต้องไปกต้องไปขออนุญาตเจ้าอาวาสก่อนค่ะไม่ใช่อยู่ๆเข้าไปแล้วจะไปอยู่ได้เลยถนะ้าท<อ>ุกโลกเข<อ>้ามาก็ต้องไปหาเจ้าอาวาสกับทุกโลกกัน<อ> ได้ค่ะแตยวว่าหลบไปใส่บาทเหมือนเดิมนะคะโอเคท่าทุกคนหมแล้วนะครับมานะคะโอเคไปดีคุณฝนต่คุณฝนกลับมาสวกาแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์นอนอยู่ข้างนี้เจ้าค่ะก็วันนี้จะมากราบเรียนพระอาจาร์เรื่องผลที่ไปอยู่วัดมาสามวันสองคืนเจ้าค่ะพระอาจารย์เออคือ วันคืออย่างว่าไปครั้งแรกนะคะเจ้าค่ะก็ก็เลยอาจจะยังเหมือนแบบไม่ได้อยู่คนเดียวมากเท่าที่ควรนะคะเพราะว่ายังต้องถามคนอื่นอยู่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ไปที่ไหนทำอะไรยังไงนะคะแต่ว่าวันแรกก็คือช่วงกับคนที่บ้านไม่มีห่วงนะคะพระจาจยไม่ได้คือไม่ได้คิดถึงลูกไม่ได้คิดถึงใครแต่นึกถึงแต่ว่าไม่ได้คิดถึงแล้วก็ไม่มีห่วงนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราไปก็ต้องโฟกัสกับการปฏิบัติให้เต็มที่ แล้วทีนี้ที่เจอระหว่างอยู่ไว้คือเวทนาเยอะแล้วค่ะพระอาจารย์โดยเฉพาะตอนนอนนะคะเพราะว่าตอนนอนไว้กระดานมันจะพลิกซ้ายพลิกขวานอนง่ายมันก็เจ็บไปหมดเลยอะเจ้าค่ะก็ะเลยใช้วิธีต้องลุกขึ้นมานั่งสมาธิแทนเจ้าค่ะเป็นแบบนี้เจ้าขาพระอาจารย์ไม่เคยนอนกับเพื่อนแก่ๆนะก็ ช่ยนอนเจ้าแต่ว่าเหมือนนานมากแล้วเจ้าค mm ่ะทีนนี้พอไปนอนคืนคืนแรกยังไม่ชินนะคะคืนที่สองก็เริ่มเริ่มดีขึ้นบ้างเจ้าค mm ่ะ hmm. แต่ว่าก็ใช้วิธีเหมือนที่ที่คงจะเป็นกุศลบายด้วยเจ้าค mm ่ะ hmm. จะได้ไม่ต้องนอนเยอะเกินก็ลุกลุกขึ้นมาทําสมาธิแทนเจ้าค mm ่ะ hmm. แล้วก็ระหว่างที่อยู่วัดอสามวันสองคืนนะคะไม่มีอาการหิวข้าวเย็นแล้วก็ไม่นึกถึงความอยากอาหารเลยเจ้าค mm ่ะแล้วก็ทานทานน้อยค่ะพระอาจารย์ ก็ก็รู้สึกว่าดีมากแล้วก็อยากจะกลับไปอีกเจ้าค่ะแล้วก็ามารู้สึกว่าทําได้ดีที่สุดก็คือตอนที่วันสุดท้ายตอนที่ฟังเทศพระจารย์นะคะเพราะว่าเอาสามารถที่จะทนอยู่กับเวทนาได้จนจนจบนะค่ะโดยที่ใช้พยายามเกาะติดกับเสียงธรรมตลอดเวลาเลยค่ะใช้วิธีแบบคือทุกทีเนี่ยฟังธรรมเนี่ยอนั่งสมาธิไปฟังธรรมไปแต่ว่าเหมือน จิตเรายังไม่ได้แนบกับเสียงธรรมอะค่ะมันก็เลยเผลอไปคิดอย่างอื่นได้แต่พอเหมือนมีสติแล้วจิตมันแนบกับเสียงธรรมไปเลยอะค่ะพอเวลาที่มีเวทนา ม, นมันเจ็บอะค่ะแต่ว่าก็ไม่สนใจอะค่ะพระอาจารย์ไปไปโฟกัสอยู่กับเสียงธรรมให้มันแบบเน้นๆ เ, เลยอะค่ะแล้วก็ความเจ็บมันก็ก็เลยรู้สึกไม่ได้สนใจอะค่ะเจ็บก็เจ็บไปแต่ว่าไปมัวแต่ฟัง ฟังเน้นฟังทำแทนเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยอยู่จนได้จนจบมคะคะพอาจารย์ก็กลับเรียนพระอาจารย์ตามนี้เจ้าค่ะก็นี่ก็จะได้เห็นเห็นคุณประโยชน์ของการที่ไปอยู่คนเดียวว่ามีโอกาสได้ปฏิบัติมากขึ้นนะให้ <c oughs> เจ้าค่ะก็จะหาโอกาสไปอีกเจ้าค่ะแล้วก็คิดว่าครั้งหน้าอ น่าน่าจะมีความได้ปริดวิเวกมากกว่านี้เจ้าค่ะเพราะว่าคราวนี้รู้แล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนทําอะไรยังไงบ้างเจ้าค่ะอาจจะไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นมากอะค่ะพรอาจารย์น่าจะน่าจะเอะดีขึ้นหน่อยอีกหน่อยหนึ่งค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะหาโอกาสไปอีกเจ้าค่ะพรอาจารย์ดีจ้ะพยายามหาเวลาไปปลีดวิเวกให้มากที่สุดเ ท, ท่าที่จะมากได้ การปฏิบัตมันจะคืบหน้ามากกว่าการที่เราอยู่ที่บ้านค่ะก็รู้สึกครั้งนี้ได้คืบหน้าอย่างอย่างอย่างที่ไปสัมมัคือรู้สึกได้ถึงความคืบหน้าเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเราไม่ไม่ได้ฟุ้งซ่านเรื่องคือรูปเสียงเอ่อกิลบโผล่ทพะคือกิเลสมันมันมันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีอะค่ะไม่ได้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอย่างที่บอกจะจะเน้นหนักจะโดนเวทนามากกว่าเจ้าค่ะที่ที่ อ่าที่จะเป็นเยอะอะค่ะก็เลยไม่ได้สนใจอย่างอื่นเมือเดะสนใจกับเรื่องเวทนาค่ะว่าจะอยู่กับมันยังไงอะ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมดีมากค่ะทำต่อไปนะค่ ะ, นะคะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะกลาวขอบพระคุณพระอาจารย์กันอย่างสูงเจ้าค่ะอคุณแรลเช่นคนแปลต่อคนแปลสุนันทาง <c oughs> อยู่ที่ไหนอยู่มัสการเจ้าค่ะอยู่มาเลเซียเจ้าค่ะอ่า ครั้งแรกเข้ามาใช่ไหมใช่เจ้าค่ะมีอะไรอยากจะถามไหมอ่าจริงๆไม่มีจ้ะแต่คือมันคือโยมเคยฝึกสติปัะฐาสี่มาเจ้าค่ะแล้วทีนี้มันเกิดความท้อแล้วก็ขี้เกียจ ด, ด้วยเจ้าค่ะแล้วก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปฝึกแบบเคลื่อนไหวนะคะ ก็ก็ดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังสงสัยว่าถ้ายอนจะหลับเข้าไปฝึกหลั บ, ห ล, บหลับตาแบบสติปัฏฐานสี่เหมือนเดิมได้ไหมเจ้าค่ะออมันก็ต้องทำสลับะะก็ฝึกไปเวลาเราทำงานแล้วก็ให้มีสติอยู่อาการเคลื่อนไหวเวลาเรามีเวลาว่านั่งเฉยๆแล้วก็นั่งดูลมาหายใจเขาออก ใช่ะใช้ได้เหมือนกันนะโอเคองั้นไปที่คุณแปมต่อคุณแปมพัทยา <c oughs> อันนี้เลยเป็นบวชชีไว้ไล้อัตโนมัติไปเลยนะ <c oughs> ตกกระไดพอใชไมอยากากาแต่ว่ายังยังไปไม่ได้สจกฝายังไม่พร้อมยังไม่สะดวกถ้าถือศีลแปดกี่กวันแล้วเนี่ยยังไม่ได้ถือช่วงนี้ แพ้ลาบคาบเจ้าค่ะแพ้กิเลสลาบคาบมีเวลาว่างมากแต่แต่ตั้งสติไม่ได้เลยเจ้าค่ะ mm hmm. ตั้งแต่ไม่สบายเนี่ยเจ้าค่ะ mm hmm. พอจะตั้งอกตั้งใจมาทําก็เจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้เพรงว่าจะเป็นไปหนักเหมือนตอนเท้าที่ที่ฝืนนะเจ้าค่ะ ที่ที่ก่อนจะนอนโรงพยาบาลตอนนั้นคือฝืนฝืนฝืนฝืนมานานไม่ไปหาหมอพอเป็นหนักก็เลยไม่กล้าฝืนเจ้าค่ะ mm hmm. ก็คงต้องรอหลังจากผ่าตัดแล้วอาการดีขึ้นค่อยมาเริ่มทําใหม่เจ้าค่ะ mm hmm. วันนี้ oh. แต่ก็ยังมีฟังธรรมมีอยู่กับผู้โธบ้างเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ไม่มากเหมือนเมื่อ ก่อนที่ไม่สบายเจ้าค่ะก็พยายามทำเท่าที่เราจะทำได้ <c oughs> เวลาทุกเวลานาทีมีคุณค่านำมาใช้กับการปฏิบัติธรรมมันก็จะทำให้เราเข้าใกล้ทำมากขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าค่ะอยากขึ้นทางหลวนมากเจ้าค่ะเรา <c oughs> เตรียมตัวไว้ก่อนพอถึงเวลามีช่องจะได้ขึ้นได้เลยโอเคนะ ค่ะน้อมกาบสมาชิกาอะไรที่คุณมาลีเชิญคุณมาลีพุทธการกอธรรมกาบหลวงพ่อค่ะก็ยังก็ฝึกงบวชไม่ได้ยังออกบวชไม่ได้ออบวชใจไปก่อนบวชใจไว้ก่อนกาบหลวงพ่อก็ช่วงนี้ก็ฝึกพิจารณาดูกายไปค่ะหลวงพ่อดูว่ามันไม่ใช่ของเรา เราเป็นแต่คนอาศัยเหมือนเราอยู่บ้านเช่าอย่างนี้ค่ะมันเห็นเห็นแบบนี้อยู่แบบชั่วคราวแล้วเมื่อหมดเวลามันก็ต้องมันก็ต้องออกจากตรงนี้ไปออกจากบ้านไปออกจากกายไปอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วพอพอมาเห็นเห็นตรงนี้มันได้มันได้คิดตรงที่ว่ามันเหมือนใจมันสลดลงว่าเออเราไม่มีเราไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆมันเป็นแบบว่าง ช่วงที่อยู่ถ้าถ้าช่วงที่อยู่บ้านเช่าหรือว่าอยู่กับกายเนี้ยถ้ามันป่วยมันไข่ยอย่างเงี้ยก็ดูแลไปรักษาได้เท่าที่ได้แต่แต่พอหมดเวลายังไงมันก็ต้องทิ้งแล้วแล้วพอพอมันเห็นอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อมันก็เลยมามาได้เห็นต่ออีกขอ้อคือว่าเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแบบเนี้ยมันไม่ควรที่จะไปยึดไปติด อะไรตัวเราร่างกายเราหรือว่าของคนอื่นสัตว์อื่นอะไรเงี้ยก็เหมือนกันกายเราเป็นยังไงของคนอื่นก็เป็นแบบนั้นแล้วถ้าเราส่องไปดูชิ้นส่วนทุกทุกอย่างในตัวเรามันก็ไม่ได้สวยมันก็ไม่ได้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยอย่างหัวใจมันก็เป็นก้อนเนื้อเต้นไปทุกเวลานาทีมันก็ห่อหุ้ ม, มก็ชุ่มไม่ได้เลื่อนได้น้ำเหลืองน้ำหนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ แล้วพอพิจารณามาถึงตรงนี้จิตมันจิตมันสงบมันนิ่งมันมันรู้สึกว่ามันเฉยมันระงับมันระงับได้ค่ะหลวงพ่อมันเหมือนมันอยากจะเข้าสมาธิอยู่ตลอดเวลามันมันสงบทั้งข้างนอกทั้งข้างในอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมันเหมือนเป็นเบรกเป็นเครื่องห้ามในใจเราให้เราเฉยได้เราเราไม่เต้นออกไปกับสิ่งที่มันมามนมาโดนเรามากระทบเราอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อ มันมันเหมือนท่าตะกอนนะมีสิ่งมากระทบเราก็ต้องออกไปไปรับไปวิ่งไปหาแล้วหนูก็เลยมาเข้าใจว่าพอพอมันสงบระงับแบบนี้ค่ะตอนแรกที่ฟังเขาที่แล้วที่หลวงพ่อบอกว่ามันเหมือนมันไปละกิเลสอะไรด้วยหนูก็เลยมาเข้าใจว่าถ้าถ้าจิตใจเราสงบนิ่งมีความสุขแล้วเราก็วางเฉยได้กับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเช่นคนที่ เขามีมีข้าวมีของ ม, มีนุ่นมีนี่มีได้ตำแหน่งหน้าที่แต่ว่าถ้าใจเราไม่นิ่งไม่สงบไม่ระงับเราก็ต้องไปสร้างกิเลสตัญหาไอ้ลาค้าวโทรศัโมหะมันก็จะมาเกิดอีกอย่างเงี้ยหนูก็เลยเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อมันจะถ้าเราได้ตรงนี้มันก็เลยเหมือนทำให้เราละระวังทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะมันมันเป็นแนวทางที่หนูหนูเห็นอย่างเงี้ยถูกไหมคะ เพรนั่นอ่ะเป้ามายก็คือต้องการที่จะระงับความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจค่ะพอพอเห็นแบบนี้มันทําให้เออลุกส์ว่าชีวิตมันเออมันก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วเราก็สึกว่าเราก็สงบเราก็เป็นสุขเหมือนทุกข์มันน้อยลงไปอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อเห็นเห็นแบบแบบนี้ะค่ะแล้วแล้วยิ่งยิ่ง คิดยิ่งพิจารณาดูเออเราไม่เคยเราไม่เคยดูแบบนี้เราไม่เคยเห็นแบบนี้เราก็ยังไปหลงอยู่นะค่ะหลวงพ่อแล้วจิตใจมันก็ดีขึ้นสงบขึ้นหลายหลายอย่างค่ะหลวงพ่อคือชีวิตประจําวันก็มันก็มีหลายๆอย่างเข้ามาแต่แต่ว่าใจมันไม่ไม่ไปรับเอาสิ่งที่มากระทบมันไม่เต้นมันไม่ไม่ไปรีลโลดกับสิ่งที่มันมาทางโลกอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนมัน มันเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจเราว่ามันมันดีขึ้นมันมีความสุขมันมันนิ่งมันสงบมันไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรเลยเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันอยู่ได้เห็นอะไรก็ธรรมดาอย่างนี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็ต้องดูความคิดกับความจริงว่ามันตรงกันหรือเปล่าเราคิดอย่างนี้แล้วความจริงเราทําอย่างนี้หรือเปล่าคืออย่างไม่กี่วันอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อหนูหนูไม่สบายแบบ ตั้งแต่ตีสามหนูก็นอนดูสภาพร่างกายคือมันมันเจ็บมันปวดมันทรมานก็นอนดูนอนดูไปเออมันก็เป็นแบบนี้คือใจมันนิ่งได้ค่ะหลวงพ่ อ, พอแล้วหนูก็ไม่ได้ไปทุรนทุรายอะไรมากมายยอมรับสภาพได้ค่ะแล้วก็อย่างที่ทำงาน mm hmm. เขาลิงโลดกันในสิ่งต่างๆ คือทั้งฟอเนี่ยเขากี๊ดเขาสนุกสนานลื่นเริง เ, รงเกี่ยวกับสิ่งของที่เขาได้ได้อะไรกันมาอย่าเงี้ยแต่หนูจิตใจหนูนิ่งหนูสงบหนูไม่ได้มีความตื่นเต้นความกังวลอะไรว่าเออเราไม่มีแบบเขาเราไม่ได้แบบเขาอะไรเงี้ยคือมันเฉยมันมองมันเหมือนเรามองมองอะไรแล้วเราก็มองผ่านไปแบบนี้ค่ะผลวงพอ mm ่อ hmm. คือหนูหนูเห็นความเปลี่ยนแปลงในใจว่าเออ มันมันแตกแล้วมันก็ดีมันสงบเราถ้าเป็นอย่างแต่ก่อนเราก็ต้องกระโดดลงไปเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อหนูจะเห็นแบบนี้ค่ะก็ดีทําต่อไปค่ะก็วันนี้ก็รายงานประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อโอเคเอาเท่านี้ก่อนนะค่ ะ, ะกับสอทุกขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะอะคุณหมอสุท ธ, ธาเสนเจน น้ำมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคาถามเจ้า oh. ค่ะโอเคไปที่คุณจิ๊บต่อจิ๊บแมรีลด์นมสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สบายดีนะเจ้าค่ะออวันนี้แต่กับคุณสลนทอนเนี่ยเป็นอ๋อก็ก็รอรอเข้าพร้อมกันพยยามเบอกสลินทอนไปว่าพยายมเข้าไม่ได้ก็ฝากกล่าวนมาสการพระอาจารย์ด้วยค่ะอือ ค่ะก็วันนี้ไม่มีคาถามค่ะพระอาจารย์ก็พยายามปฏิบัติให้เต็มที่ค่ะเอาเท่าที่วันนี้ไม่วันนี้เป็นอะไรพระอาจารย์ทําไมโคตรมาเอาทีเต็มทั้งหมดเลยโยมแบบอันอะไรเนี่ยสงสัไม่รู้ว่าเขามีพายุเข้าที่เท็กซัสหรือเปล่าเพราะว่าออฟฟิศที่ที่เท็กซัสสองสาขาเขาต้องปิดอะค่ะเห็นเขาบอกว่ามีนน้ำอ่าพายุเข้าแล้วอ่าคลื่นสูงห้าสิบฟุตเลยโยมก็ โอ้ไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะตั้งสองสามวันแล้วค่ะพระอาจารย์อืค่ะก็ก็ทางนนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ขอพระอาจารย์ทัานแข็งแรงนะคะพระอะจารย์ไปเชิญทองต่อไปเชิญทองกลับพระอาจารย์เจ้าค่ะวันศุกร์พระอาจารย์เจ้าค่ะโยมโยมมิวหรือยังคะพระอาจารย์หรืออันนี้ พระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยิน่ะค่ ะ, ะรพระอาจารย์ค่ะกับมัสการพระอาจารย์เจา้จาค่ะวันนี้โยมก็ไม่มีคำถามค่ะแต่มันมีดีกว่าค่ะพระอาจารย์ <c oughs> คือพอดีว่าลูกโยมอค่ะเขาได้ออินเทอร์นชิ p ไปทำงานกับโรงพยาบาลสัตว์แถวๆบ้านนะคะเขาเขาอยากเป็นสัตวแพทย์นะคะแต่โยมก็คือหลังจากที่ฟัง อาจารย์มาตลอดยมยมก็ห่วงเรื่องการที่เขาจะไปฉีดยาที่ทําให้อาสสารที่ป่วยมากๆเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะคือห่วงเรื่องการฆ่าสัตว์นะคะแล้วเขาก็กลับมาเล่าให้ยมฟังหลังจากอินเทอร์เนชิพว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างวันนี้ทําอะไรบ้างแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีแมวแมวสูงอายุแล้วแล้วก็ป่วยมากแล้วเจ้าของเขาก็พามาก็คือเหมือนจะฉีดยาให้เสียชีวิตอย่างเงี้ยนะคะ แล้วด้วยความที่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยว่ามันเป็นการฆ่าสัตว์เขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเขารู้สึกว่ามันเป็นการนิตามากกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ยงก็บอกเขาบอกว่าถ้าเป็นเราเราก็คงไม่อยากให้ถูกฆ่าตายแบบนั้นไม่อยากให้คนที่เรารักพ่อแม่ลูกหลานเอาเรามาให้ฉิดอยากฆ่าตายแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้คิดอย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยค่ะพระจานทร์แล้วยวงคิดว่าเขาก็ยังเขายังเด็กอยู่แต่แต่เขาอยากเป็นสัตวแพทย์ ลักษณะนี้นี่โยมควรจะส่งเสริมสนับสนุนต่อไปหรือว่าควรจะบอกเขาว่าอย่าเป็นเลยอย่างเนี้ยค่ะยอมควรจะบ้างคงจะไปขัดขัดขัดความคิดความอยากของเขาไม่ได้เึงแต่ลราก็บอกว่าทางศาสนาพุทเราก็สอนว่าการฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะฆ่าโดยการใดก็ตามก็ถือว่าบาปแล้วมันจะมีส่งผลกลัมาหาที่ตัวเราต่อไปคือกดแห่งกรรม แต่ก็จะเชื่อไม่เชื่ อ, อ น, นี่ละมันก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปรองคับเขาได้คือเขาเป็นคนที่รักสัตว์มากๆากะค่ะอันนี้โยมก็บอกเขาว่าถ้าเราทําไปเพื่อช่วยเหลือเนี้ยตัวยงยินดีแต่ถ้าทําไปเพราะว่าไปอาศัยเงินว่าถูกจ้างมาแล้วก็ไปฉีดยาให้สัตว์ต่างๆเสียชีวิตอย่างเงี้ยได้เท่าไหร่ก็ไม่คุ้มยงก็ที่มาให้เขาฟังแต่ ยัไม่แน่ใจว่าอย่างเนี้ยเราควรจะสนับสนุนให้เขาทําต่อไปเพื่อที่จะหรือเราควรจะหยุดเดียวค่ะอาจารย์ให้เขาไปเป็นอย่อยีกอันดีกว่าถ้าถ้าเราไม่หน้าที่ต้องส่งเสริมก็ในการเรียนหนังสือแล้วก็ต้องทําต่อไปอเราจะเรียนวิชาไหนแผนไหนเมื่อมันไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีของของคนที่นั่นเราจะไปทำขัด ก, กับความรู้สึกเขามันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมอืม ไม่ต้องฝ่อยเขาไปตามให้ของเขาเรีนจากนั้นก็บอกถ้ามีโอกาสก็บอกว่าน่าจะเรียนจากทางคุณทศสาวเปนมาว่าเป็นการฆ่าสัตว์ไม่ดีไม่ว่าจะฆ่าด้วยเหตุผลที่บรรดาก็ตามแต่ถ้าลูกลูกไม่เชื่อลูกจะไปเรียนก็เป็นเรื่องของลูกนะแม่เล่นแม่เล่นบอกนบอกแล้วหน้าที่ของแม่ต้องบอกติดหนุนชั่วให้ของลูก แต่ลูกจะเชื่อไม่เชื่อลูกจะทําตามไม่ทําตามลูกจะได้ไม่หมดนะลูกค่ะเราก็ต้องยอมรับใช่ไหมคะพรอาจารย์ได้เป็นหน้าที่ <นะ S 2> ของคนละหน้าที่กันเรามีหน้าที่บอกเลยเวามีหน้าที่ทำา็จะทําตามที่เราบอกแล้วมันอาจจะทำไมไม่ยองผำค่ะพร อ, อาจารย์เข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์แต่เรายังมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูเขาต้องส่งเสือใช่ก็เรียน้องเสือไม่ต้องทําไปสอนกัน จะหาอาจารย์เดี๋ยวเวลาถ้าเขาไปเรียนวิชาที่มันผิดกฎหมายแล้วก็มีเหตุผลยัง้งเขาได้เป็นวิธีไปป้อนธนาคารอย่างเนี้ยถ้ามีหลักสูดรป้นธนาคารเข้าไปเรียนอย่างนี้แล้วเราบอกไม่ไม่สนับสนุนนะอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจัญยาบรรของคนในประเทศนั้นมันก็ไปห้ามเขไม่ไดไ้ไม่มีเหตุผลที่จะไปห้ามครับอ า, าจารย์แต่คือโยมเนี่คือ องโยมนิยมก็ดูสินทำเป็นหลักนะคะ mm hmm. เราก็ไม่อยากให้ลูกผิดสินผิดธรรมด้วยเพราะว่าก็อยากจะให้เขาถือย่างน้อยก็สิห้าแต่ถ้าเขาจะมาทางนี้จริงๆแล้วเขาตั้งใจจริงๆโยมก็บอกเขาแต่ว่าให้เขารู้จักทําบุญทําทานนั่งสมาธิให้ให้เต็มที่เพื่อที่จะแผ่ส่วนบุญถ้าเขาจําเป็นจริงๆในอนาคตนั้นน่นะแล้วก็ทําได้ทท่านั้นคือสอนแต่ก็จะเชื่อฟังหรือไม่นี่เราบังคับก็ไม่ได้ ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะก็วันนี้ก็มีคําถามท่านี้ค่ะพอาจารย์ขอขอบคุณพระยากนะสหรับคนที่อยู่ในอุปกาที่มีความคิดเรื่องศีลธรรมเพราะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมีศีลธรรมกันใช่ไหมเขาไม่เขาไม่คิดว่าอันนี้เป็นการฆ่าเขาคิดว่านี่คือเมตตาค่ะอันนี้อาจเป็นการฆ่าด้วยความเมต่างมีทําไหมด้วยความจมนานาด้วยความสวยด้วยบรรเทาความทุกข์ทรมารของ มองเขาให้หมดไปใช่โอเคอ<น>ย่างนั้นค่ะดังนั้นก็มันมีที่การถูกปลูกฝังมานี่มาอยู่มาอยู่ประเทศที่เขาปลูกฝังแบบนี้แล้วเขาต้องสุดเพราะว่าต้องรับการปลูกฝังแบบนี้ไปแต่ส่วนคุณแม่จะได้รับการปลูกฝังจากประเทศไทยไปก่อนเพราะฉะน้นมีมีภูมิคุ้มกันแล้ด้วย<น>ความที่เราเป็นแม่เราก็ไม่อยากให้เขาไปทําผิดอย่างเี้ย แล้วก็ต้องดูพาความเป็นไปได้ว้าเราห้ามเอได้หรือเปล่าเราสอนได้<ะ>ก็สอนไปจะพยายาม<ำ>พูดปิดยังมีเวลาค่ะเพราะตอนนี้เขาแค่ม5มจะขึ้นม6มแล้วก็ของแบบนี้มันต้องมันต้องเรียนเขา้าเข้าทางเฉ พ, พาะทางแลก็จะค่อยๆให้เขาเปิดโลกให้กว้างขึ้นอาจจะมีหนทางอื่นต่อไปใงอนะคูดนะใ่ก็อย่าไปบังคับเัยนอย่าไปพูดจนกรนั่งใจ การต่อต้านการต่สอสู้กันค่ะอาจารย์ถ้าก็ยินดีจะไปทางนั้นก็โอเคน่าจะยินดีนนยังไงต้องรักษาความเป็นมิตรด้วยกันต้องมีความเมตตาต่อกันไม่ใช่มีมีความคิดต่างกันแล้วก็เลยทะเลาะกันเป็นศัตรูกันนี้มันก็ไม่ถูกค่ะพระเจ้าค่ะใช่ไหมต้องสวมส่วนต่างภาษาส่วนเงิน เรามีคําคิดแบบนั้นเขาจะทําแบบนั้นทางใครทางมันไปใช่ค่ะถึงเวลาก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะถือว่าลาเราก็ไปไปฏิบัติของเราค่ะพระอาจารย์ใช่กลับขอบคุณพระอาจารย์มากนะคะขออ้พระอาจารย์ค่ะใช่ค่ะจะถ้าอาจารย์โยมได้ยินเสีย ง, งรงับฟังเาตอนนี้นเสียงฝนกำลังตกกำลังดังในี้เอาได้ยินอยู่เหมือนเดิม น, นะได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนค่ะ ไปไปที่คุณคุณเสี่ยวเม่ยที่จำไม่ได้นะหมอผ่าด้วยนิ้งค่ ะ, ะคุณนิง้งกับพิธีการผ่าจาร์ค่ะก็ปฏิบัติค่าแล้วก็ไหว้บัตรตั้งผ่าจาร์เรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะผ่าจาร์ก็อยู่กับครกตครัวนะคะแล้วก็ ลูกค้าก็มีอะไรเข้ามากระทบเป็นเรื่องปกติค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ที่หนูแบบโดนไปอ่านของพระเจ้าไอของหลวงตามหาบัวที่ท่านบอกว่าสมบัติในโลกไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับตัวเรานั้นประคองรักษาไม่ให้ดีอันนี้เนี่ยเข้าใจเลยคือประคองรักษาเพื่อที่ให้เราได้ศึกษาในเรื่องของธรรมะแล้วก็ไปปฏิบัตินะคะเหมือนที่หนูคิดเลย อันนี้ท่านหมายถึงสิ่งนั้นเพราะว่ายัา ง, ยางไงเนี่ยตัวเรามันก็ต้องไปอยู่ดีอะค่ะพระ อ, อาจารย์ของเราเพื่อใจองเราค่ะรักษาใจเราด้วยธรรมะค่ะอันนี้ก็คือว่า อ, อันนี้เข้าใจค่ะนีวันนี้เข้าใจนะคะคือ มีสิ่งหนึ่งที่มันมันแบบแกว่งเึิ่งแปลงลงก็คือในเรื่องของแค่เรากระทบในเรื่องของครอบครัวแค่นั้นนะคะ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากตั้งเด็กแล้วก็ปุตแก่ครับพระอาจารย์เป็นเหมือนเดิมก็ดีค่ะมันทําให้เราจิตใจเอ่อเหมือนกับว่าดีขึ้นดีขึ้นเหมือนให้กระทบแต่ไม่กระเทือนมากแต่บางครั้งก็มีกระเพื่อม บ, บ้างครับพระอาจารย์อาจจะเป็นเพราะว่าเรายัง อ่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติมากขึ้นหรือว่าเรายัางอยู่ในคารวาสอยู่เป็นหนูก็เข้าใจว่าเราก็ต้องปฏิบัติต่อไปเพราะว่าต้องทําหน้าที่ค่ะทางลูกก็ต้องทําทางธรรมหนูก็ต้องสร้างดูคิดอย่างนี้ แ, แล้วก็สติเล็น้อย อ, ยอ่ะพยายามเจริญสติทุกครั้งแต่คือเร็วขึ้นนะคะพระอาจารย์เวลาเดินไปก็คือจะ พูดโทรพูดโธพูดโทจะให้พยายามแบบถีขึ้นแต่ก่อนยังเว้นเว้นว่าเอาลืมแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยยังมาพูดโทรพูดโทแต่ตอนนี้เนี่ยคิดได้ก็คือพูดโทเลยค่ะพระอาจารย์<ม> น, นี่หมายความว่าอาการเจริญสติเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ต้องดู ว, ว่าเราไปหยุดปัญหาต่างๆได้เลยขึ้นหรือไม่ค่ะค่ะ<ม>แล้วก็เข้าใจปัญหา มากขึ้นค่ะพระอาจารย์แล้วก็รีบวางให้ลงไม่เร็วครับรล่อยวางให้เร็วถ้าหลังนั้ไปได้ก็จะดีเมื่อเราว่าดีขึ้นไปในเรื่องมันก็เป็นเรื่องปกติครับต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะอาจารย์ทำได้แต่ยังไม่ทุกข์กับหน้าที่เลยแล้วทุกข์กับใครได้แล้วกันค่ะก็คิดว่าไม่ไม่ได้ทุกข์มากแต่ก่อนก็ยังมไมียังยังยังทุกข์นานอยู่นิดนึง แต่ตอนนี้มันเหมือนลงๆมาว่าเอาก็มาอีกแล้วหรอเอาโอเคมันก็มาอย่างเนี้เดี๋ยวมันก็ไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็คิดงเงี้ยแล้วก็คื อ, อทาไปมันก็ผ่านไปจริงๆค่ะพระอาจารย์ใช่ลองตาย<อ>รักลอยแล้วเป็นตายรักไปนี่จันไม่ลอยแล้วก็ดับผมมาแล้วก็ไปค่ะค่ะพระาอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์หนูก็ต้องปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นไปเข้ามาฟังเพื่อฟังๆ่อยๆนะ ค่ะพระอาจารย์อ่ะคือการไปฟังทำฟังเทศเนี่ยมันเป็นความตั้งใจของหนูที่ที่จะคือจะปฏิบัติเลยว่าจะเอาชนะใจตัวเองได้ไหมแต่ก็คือได้มาไม่ ไ, มได้ขาดเลยค่ะพระอาจารย์ก็เหมือนเปิดช่องทางให้เราได้ไปตลอดค่พะพอาจารย์เราก็ปฏิบัติต่อไปค่ะไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับเราเพียงแค่ว่าใจเราอ่ะจะเอายัาง ต้องมั่นคงแล้วก็จะต้องรับกับสถานการณ์ทุกอย่างให้ได้ด้วยใจที่ปล่อยวางมากยิ่งขึ้นครับพระอาจารย์ไม่เรียนร้อนกับอะไรครับเช่นนะอะไรจะเกิดจะเกิดอะไรจะดับจะดับค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ไม่มีอะไรครับพระอาจารย์หนูก็ปฏิบัติต่อไปครับพระอาจารย์ขอบคุณครับสาธุกรับพระอาจารย์เป็นไปเมื่อไรอาเช่นน้อยยันสิริชาน แบบนวันสการเจ้าค่ะท้าอาจารย์วันนี้นะคะหนูขอมารายงานในเรื่องของยอมหยุดเย็นเจ้าค่ะซึ่งเห็นผลชัดเจนเจ้าค่ะหลังจากที่พยายามประเมินตัวเองนะเจ้าค่ะเป็นช่วงของการประเมินผลกลางปีสําหรับน้องๆในแผนกที่หนูทํางานอยู่หนูก็ได้เชิญน้องๆเขาเข้ามาแล้วก็คุยกันถึงเรื่องของการทํางานที่ผ่านมาเนี้ยค่ะอุปสรรคปัญหาซึ่ง มันก็เป็นเรื่องของโปรเ s สปกตินะคะหนูเปิดโอกาสให้น้องเขาได้ได้ถามคำ ถ, ถามว่ามีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงไหมเจ้าค่ะน้องเขาก็เลยตอบเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเขาต้องขอบคุณหนูที่ที่ทำให้คือมันเคยมีปัญหากันนะเจ้าคะในเรื่องของการทำงานแล้วก็ถึงขั้นทีเ่เรื่องถึงผู้ใหญ่เลยะคะ่ะแล้วหนูก็ใช้หลักของพระอาจารย์นะคะยอมหยุนเย็นก็ปรับปรุงตัวเองแล้วก็ปรับวิธีการทางานที่ เราอยากให้เขาเป็นกล้วยแต่ว่าเขาเป็นส้มเงี้ยค่ะจนกระทั่งบรรยากาศการทํางานมันดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะหนูก็เลยตอบน้องไปว่าเออพี่พี่ก็เรียนธรรมะ ก, กับพระอาจารย์ของพี่นะแล้วก็เ อ, อ่อพี่ใช้หลักสามยอเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเออดีจังเลยพี่เพราะว่าถ้าเป็นหนูอะหนูก็คงแบบไม่อยู่แล้วแล้วก็ถ้าจะเป็นไปได้ไหมหนูจะแนะนําให้เมนเจอร์คนอื่นๆเขามาเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็หนูก็ปฏิเสธเข้าไปว่าหนูบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากเพียงแต่ว่า เราก็แค่ลดลดอะไรนะคะลดมาลดทิฐิลดยศอะไรเงี้ยให้มันต่ําลงแล้วก็ยอมรับในความในความแตกต่างของบุคคลนะเจ้าค่ะก็อันนี้คือเมื่อก่อนเราประเมินตัวเองค่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นบุคคลที่เขาประเมินมาผมก็เห็นผลในเรื่องของการปฏิบัติมาห้าปีเจ้าค่ะก็จะดาเนินต่อไปเจ้าค่ะเห็นเห็นผลแล้วชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าการมาเรียนกับพระอาจารย์เป็นผลที่สุดเจ้าค่ะ โอเอดูใจด้วยดีดีขอบคุณเจ้าคะ่ะก็หนูดีใจมากๆาคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวหนูจะพุดหน้าคะ่ะหนูหน้าจะไม่ได้เข้านะคะก็จะเรียนพระอาจารย์นะคะก็วันจําจะเดินทางใช้เวลาสี่ชั่วโมงบนเครื่องบินในการานั่งเฉยๆเจ้าคะ่ะแล้วก็ปฏิบัติธรรมหลังจากประชุมเจ้าคะ่ะมันไปนอนจากซเลนเรย่นเซ ตามมรดการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกใช้ไอโฟนเจ้าค่ะก็มาฟังธรรมเสียงจ้าค่ะแต่ว่าเสียงจากพระเสียงทั่วจากไอโฟนมันจะค่อยๆหน่อยอะเจ้าค่ะแต่ก็ฟังได้ดีเหมือนกันเจ้าค่ะคุณเข้ามาฟังธรรมเจ้าค่ะปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอก็มีท่าเจ้าค่ะแล้วก็ช่วงนี้ไปฝึกความอดทนจากความร้อนคือ พี่เจ้านายคนเต่าของหนูที่เคยอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีเกืบยี่สิบปีแล้วแกบบังเอิญไปเจ อ, อเนื้องอกในในท้องที่มันใหญ่ท่าลูกมะพ้าวอดีแต่ต้องไปเดินทางไปผ่าตัดที่เมืองไทยหนูก็ไปฝึกความร้อนไปฝึกอยู่กับความร้อนร้อนเมื่อวานร้อนถึ ง, งสามสิบเก้าองศา วันก่อนสามสิบแปดก็ก็ดีค่ะอยู่ได้ไม่ทุกแยกออกควา ม, มทุกข์กายกับทุกขใจอะค่ะฝึกดูตัวเองอยู่อย่างสม่าเสม อ, หมอาหลวงพ่อไม่เองะไม่ okay. ไม่มีควานะไม่มีเจ้าค่ะ <ua ip> เอ า, าฟังางค่ะก ม, มากลบาสักการหลวงพ่อ uh, เจ้าค่ะออเป็นเบนเปนเบียเป็นเบีย นั่นช่เชบียร์หเบียร์ครับกาบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูเคยฟังคลิปของหลวงพ่อสั้นๆค่ะแต่ว่ายังไม่เคยมาฟังหลวงพ่อจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะหนูมีคําถามเกี่ยวกับการนั่งสมาธิค่ะว่า บางครั้งเวลานั่งสมาธิแล้วหนูไม่มั่นใจว่าสิ่งที่หนูรู้อยู่ในขณะที่ทำสมาธิมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าหนูรู้อยู่กับลมหายใจค่ะแต่ว่าเหมือนเหมือนมันหลับเหมือนร่างกายหลับแล้วก็ ตกใจตื่นขึ้นมาหนูคิดว่าตัวเองไม่ได้หลับแต่ตอนที่รู้สึกตัวขึ้นมามันอาการมันเหมือนคนสับประหกอะค่ะหนูก็เลยสับส น, สบสนว่าจริงๆแล้วหนูหลับหรือเปล่าคะหรือว่าหนูยังยังมีสติอยู่กับลมหายใจเราจะเพร่งหลับเครื่องเติมเตื่องับครองเติ ค่ะแต่หนูรู้ลมหายใจนะคะงาจเลยนะพยาศกก็รู้เวาลวาหลับก็ไม่รู้ค่ะแล้วหนูต้องแก้อย่างไงคะพระอาจารย์ลดการนยงก่อแล้วสร็แล้วยังมีกน้อยๆก่อนค่ะพยาศึกสติให้มากๆก่อนที่จะมันง้างแล้วสิ่งข้าให้น้อยๆคนกินข้าวมากกันไปค่ะ แล้วก็อย่างในชีวิตประจำวันนะคะเวลาที่ทำงานนะคะหนูก็จะจะเห็นเห็นร่างกายทำงานแล้วก็เหมือนกับร่างกายกับจิตใจมันใจมันคนละส่วนกันบางครั้งเวลาที่มีเรื่องทุกข์เข้ามากระทบอะคะ่ะหนูจะรู้สึกเหมือน เหมือนมันมีความดิ้นหลนมันอยากจะทํามันอยากจะอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะเพื่อที่จะให้หลุดจากสถานการณ์ตรงนั้นหนูเห็นใจมันมันเหมือนแบบสั่นๆเหมือนมันจะมันมันดิ้นหลนอะไรสักอย่างอะค่ะแต่ก็พอเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราอ่ะค่ะมันก็ ทำให้เราไม่ไปทำพฤติกรรมที่ไม่ควรทำแล้วก็หรือว่าไม่พูดในสิ่งที่อาจจะแบบขาดสติหรือถามคำถามหรืออะไรที่มันไปกระทบกระทั่งคนอื่นนะค ะ, อ, ะอย่างนี้คือคือหนูทำถูกต้องแล้วใช่ไหมคะหรือว่าจะต้องปรับปรุงยังไงคือหนูเห็นแค่เห็นว่ามัน มันมันดิ้นรนนะค่ะพระอาจารย์มันมีความดิ้นรนแต่ว่าก็อยู่างดินนน้นรนถ้าไม่มีเห็นจำเห็นที่มีทีูดก็ไม่ยองพูด้ดไม่มีอนุจมีต้องทำก็ไม่ยองทำมันก็ทําให้เราได้ยินค่ะ ค, ค่ะพระอาจารย์มันก็เหมือนแบบเราควบคุมตัวเองได้มากขึ้นนะคะถูกต้อง พยายามให้เฉยใ้มากขึ้น<ช>พูดให้น้อยลงทําให้น้อยลงพู ด, ดเจ้าที่จำเป็นทำเท่าทำเท่าที่จำเป็นค่ ะ, ม, ม, คะมันเหมือนพอเราเห็นเห็นความดิ้นรนแล้วเราก็รู้ตัวค่ะว่าว่าเราเรากําลังจะจะดิ้นรนเรากํำลังจะเหมือนจะถูกอยากจะพูดแต่ถ้าเราควบคุมตรงนี้ได้เราก็ไม่พูดก็รู้สึกว่า พฤติกรรมตัวเองดีขึ้นตัวเองมีสติมากขึ้นเริ่มที่จะควบคุมหรือว่าเห็นถึงความความความไม่ดีของตัวเองอะค่ะได้ได้ได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนค่ะก็โชคต้องแล้เกดต้องค่ะก็จะจะพยายามฝึกต่อไปค่ะพระอาจารย์ก่อนจะพูดจ่อนจะทำอะไรก้องก็จะนาด้วยปัญญา ว่าพูดไปแล้วทําไปแล้วมันต่อบฟังเสียหายเรือกับประโยชน์ถ้าเกิประโยชน์ก็พูดไปทําไปถ้าตอบทอยก็อย่าไปพูดค่ะหนูพูดเยอะค่ะอาจารย์จะพยายามพูดให้น้อยลงแต่ถ้าพูดมันมีประโยชน์ถ้ามันมีประโยชน์ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวต้องดูว่าคนเยินดีมาฟังหรือไม่ด้วยค่ะ ค่ะอาจารย์เรียนต้องแล้แหละพยายามนะครับให้มากที่สุดนะครับความาของเร า, าพูดพูดเจ้าที่ยำไปต้องพูดำต้องที่ยำไปต้องค่ะอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าพอเราเริ่มทำได้ครั้งหนึ่งอะคะ่ะมันมันเหมือนดแบบับมันมีกำลังใจมากขึ้นอะคะ่ะทำให้เราอยากจะหยุดหยุด หยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีของเราอะ่ะแล้วก็น่าจะน่าจะทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะพระพุทธเจ้าบอกเอาชนะตัวเราเนี่ยอยูที่สุดอย่าเอชนะคนอื่นค่ะพระอาจารย์โอเคนะทำต่อไปนะค่ะ ข, ขอบขอบขอบพระคุณพระอาจารย okay, ์ค่ะค่ะโอเคเป็นที่ปริญญาเป็นจ้าจ้าตอนนี้ก่อนพักเล่น แบบนามัสการค่ะพระอาจารย์เยนะแมวันนี้วันนี้หนูมีคำถามสืบเอ่อเนื่องมาจากตอนที่เมื่อสักครู่นี้คุณซิรินทร์ถามพูดถึงเรื่องลูกที่จะเรียนสตัวแพทย์อะคะ่ะคำถามของหนูก็คือเอ่อหนูเคยเข้าใจมาว่าบาปมันมีเลเวลต่างๆกันขึ้นอยู่กับเจตนาของเราอันนี้จริงหรือเปล่าคะคื อ, อเช่นว่าถ้าเรา พูดไปเรียนถาอ๋อค่ะถ้าเกิดว่าเราเจตนาที่จะฆ่าเพราะความโกรธแค้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับการฆ่าในกรณีของศัตวแพทย์ก็คือฆ่าเพราะเข้าใจว่าเป็นการช่วยเหลืออะไรก็วันนี้ที่ไปอยู่สีที่ไปอบายไม่มีไปเป็นเรียนภาษาอาานย์อาจารเปรี้ยเรียนหนังสืบรรยแล้วไปงา ถ้าถ้าด้วยความอัธยาบาทมีไปนรกถ้าถ้าด้วยความโัวนี้ไปเป็นหนักหนุนหนกกายถ้าถ้าด้วยความโลภไปเด็นเจรถ้าถ้าด้วยความโง่ือไม่รู้ว่าบาปไปเป็นศาตร์ก็ผิดโอเคเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ถ้าในกรณีที่อ่าเป็นอาชีพ เช่นจตวรรษพทยหรือว่านักวิทยาศาสตร์ที่ต้องมีการทดลองกับสัตว์อะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะบุญที่เกิดค่ะทีนี้ในในส่วนของบุญที่เราที่เกิดจากการอช่วยเหลือสัตว์ในวันที่เราไม่ได้ฆ่าหรือว่าตัวยาที่เราผลิตได้อ่ที่มันจะช่วยสัตว์อีกเป็นจํานวนมากบุญนี้ มันก็ไม่ได้มาแคนเซิลกันกับบาปถูกไหมคะแต่ว่ามันก็จะส่งผลเช่นถ้าเราทําบุญในสามร้อยหกสิบห้าวันที่เราทํางานเราทําเรื่องดีไปซะสามร้อยวันอีกหกสิบกว่าวันเป็นบาปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อย่างน้อยเราก็จะยังยังได้รับผลของบุญในสามร้อยวันนั้นที่มากกว่าบาหกสิบกว่าวันอยู่ดีแบบนี้หรือเปล่าค่ะมันก็เหวี่ยว่าเป็นบุญหรือเปล่าด้วยถ้าเราไปขายก็ไม่ได้บุญทําย่างนี้ถ้าถ้าคนเอาไปจ่ายมันจะได้บุญ ถ้าคุณเอ า, ายาไปจ่ายอย่างนี้แล้วมูลถ้าเอายาไปขายก็ไม่ได้เงินแล้วในอย่างนี้ก็คือในกรณีอาชีพ <c oughs> ก็คือเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็ได้รับเงินจากเราก็ไม่ได้บูลอ๋อโอเคเข้าใจละโอเคเทราะนั้นถึงได้ว่าเป็นเออเกิดถึงมีคําว่าสัมมาอาชีพก็คือต้องต้องเลือกอาชีพที่ไม่ไม่มี อ่าสินห้าไม่มีการทำผิดต่อสินห้าอะไรแบบนี้ใช่ไ้ยคะใช่ถูกต้องโอเคเข้าใจแล้วค่ะมีคำถามเท่านี้ค่ะพระอาจารย์แต่บุญแต่บุญบุญกับบาปมันเป็นบัญชีกันนะหรือว่า เ, าเราผลิตยาแล้วเราไปแจกไม่คิดเงินทองเนี่ยเราก็ได้บุญแต่ไม่ไปเป็นโลกร่างบาป ท, ที่เราเป็ฆ่าสาปที่เราทดลองอยาอื่ ก็คือเราอาจจะขึ้นสวรรค์ไปได้ไปใช้ผลบุญนั้นแต่สุดท้ายเราก็จะกลับมาเป็นเดลชะน์ต่อเพราะเราต้องใช้บาปจากความไม่รู้ถูกต้องก็อยู่เราว่าช่วงไหนบาปกำลังน้อยมากกว่ากันถ้าบาปมากกว่ากาไปรับผลบาปถ้าบุญมากกว่าก็ไปรับผลบุญเข้าใจแล้วค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะได้ยินเสียงว่าชัดเจนนะเนี่ยตอนนี้เราไม่น่าใจเพราะว่าฝนตกหนั้น นิดหน่อยค่ะคือตอนแรกเสียงพะระอาจารย์ชั้นช่วงคนคนสองคนก่อนหน้าหนูก็เริ่มอเสียงเบาลงเสียงค่อยลงไปนิดหน่อยแต่ว่ายังฟังรู้เรื่องค่ะยังได้ยินเพราตอนนี้ในห้องเราเสียงมันดังจากเสียงฝนตกค่ะเราก็ไมยด้ยินเสียงอะไรมาตามไปค่ะเหมือนเสียงฝนแย่งแย่งเสียงพระอาจารย์ได้ยินเสียงฝนด้วไหะได้ยินเบาๆค่ะเหมือน ก็แตเป็น<ต><ต>สัญญาณแบบแบบนี้โอเคพ อ, พอฟังได้นะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้ว<ต>เดี๋ยวม า, มาทานันทีก่อนได้ไหมอ่าขอบคุณมากค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะขอบใที่คุณน้าคุณน้ามีาอีกสองคำถามหนกราบในมสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามเจ้าค่ะเป็นคำถามฝากถามแล้วก็คำถามจัดทาง Facebook และ YouTube เจ้าค่ะ คำถามแรกจากคุณเก่งถ้าเราไปร้านอาหารสั่งอาหารแล้วทางร้านนำสัตว์ที่เป็นมาทำอาหารให้เรารับประทานโดยที่เราไม่ทราบเราจะบาปไหมครับถ้าไม่ทราบก็ไม่บาปคำถามต่อไปจากคุณมิกโกะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์สุชาติค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาภาวนาพุทโธ ควรจะตามลมหายใจเข้าออกหรือภาวนาพุโทโธโดยไม่ตามลมหายใจได้หรือไม่คะควรจะเอาอย่างเดียวดีกว่าถ้าจะพุทโธก็พุทโธอย่างเดียวถ้าจะดูลมก็ดูลมอย่างเดียวอย่าเอาสองอย่างมันมันจะยุ่งยากไปกว่าฝ่าไม่โดยไม่จาเป็นคำถามต่อไปจากคุณแรดขอโอกาสค่ะจำเป็นต้องถวายปัจจัยแก่กัลยาณมิตร ที่ท่านน่าจะบรรลุมรรคผลอาจจะเป็นอรหันต์แล้วด้วยแต่เราไม่เต็มใจเพราะไม่ชอบคนใกล้ชิดท่านแม้นตัวท่านจะดีมากก็ตามควรทำใจอย่างไรใจจะจิตจิต จ, จะผ่องใสดีคะก็ <S 2> <S 2> ยากเลตัวท่านอบาคนใกล้ชิดมันคนละคนเลยเราไม่ได้ไปให้คนใกล้ชิดเราไปให้ท่านก็นนน แต่แล้วแต่เราไม่อยากจะทําบุญก็ได้ท่านก็ไม่ไมบังคับเราท่านก็ไม่เรียกร้องอะไรจากเราเราทําบุญเราก็ได้บุญเราไม่ได้ทําบุญเราก็ไม่ได้บุญคําถามต่อไปจากคุณหนิงโยมเคยได้ยินมาว่าถ้ากิเลสหยาบๆยังละไม่ได้แล้วกิเลสที่ละเอียดจะละได้อย่างไรที่พระอาจารย์บอกให้ละความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรส ให้ได้ตรงนี้คือพระอาจารย์จะฝึกให้ละกิเลสขั้นต้นด้านการมชันทะใช่ไหมเจ้าคะก็มันมีหลายระดับในการมฉันทะนี่มันก็จะเป็นระดับนิวรณ์มันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทาสมาธิได้แต่ยังมันก็ยังมีการมชันทะที่ละเอียดกว่าอยู่ในขัานของสังโยชน์มันก็เป็นมันมันเป็นระดับของแต่ละระดับ เราอยู่ขั้นไหนเราก็ต้องทําไปตามขั้นที่เราทำอยู่ดังนั้นเมื่อเราละกิเลสห ย, ยาบๆได้แล้วเราต่อไปเราก็จะฝึกละกิเลสเทลิที่ละเอียดต่อไปอีกขั้นหนึ่งยมเข้าใจถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องมันก็ต้องทําจากหยาไปหาความละเอียดร เ, เรากำลังเกษตรปัญญาของเราอยะมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีความปัญญามากขึ้นมันก็จะ จำจัดสิ่งที่ไราเรียนได้คำถามหมดแล้วเจ้าค่ะคำถา ม, มวันนี้ก็พอสมควรแต่เว่าสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปที่นี่ที่เจอิงมาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในาทางยิ่งย่งขึ้นไปเถิด